เทพธรรมะชุดเครื่องวัดความหลดพ้นโดยท่านพระพุธิรษ์ในงานพุท ธ, ธาพิเศษสุดยอดปฏิหาริย์ครั้งที่แปดเมื่อวันที่4เมษายนพุทธศักราช2527ณพุทธสถานสาลีอโศกมาพูดใดศึกษาธรรมะด้วยสมาธิิ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 เช่อในกรรมผู้นั้นผู้นั้นย่อมสงวน ร, ระวังในกรรมนั้นๆเพราะกรรมเป็นอันรรมกรรมเป็นของจริงกรรมเป็นความจริงผู้ใดทํากรรมแม้น้อยแม่นิด ก็ยอมเป็นของจริงนรกสวรรค์บาปบุญขึ้นอยู่ที่กรรมผู้ทำกรรมเป็นบาปยอมเป็นนรกผู้ทำกรรมเป็นบุญยอมเป็นสวรรค์นรกมีจริง สวรรค์มีจริงผู้ใดทาก็เป็นทายาทของกรรมทำชั่วยอมได้บาปได้นรกทํทำดียอมได้บุญได้สวรรค์ผู้ซึ่งกระทาจริงแล้วยอมเป็นผู้ที่มีแล้ว ผู้ระวังดีแล้วย่อมละบาปละนรกผู้ระวังให้จริงสังวรด้วยสติปัฏฐานสี่ด้วยโพชงเจ็ดดยโพธิปักเคียรทรรมส7เจ็ดอย่างยิ่งแยบคายขึ้นเท่าไรเท่าไรสวรย่อมเป็นของผู้นั้นผู้นั้นจริง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 การปฏิบัติสติปัฏฐานสโพอชงเจ็ดมักองแ์ดอย่างที่เราได้เข้าใจกันแล้วจึงเป็นการสั่งสมกรรมเป็นการกระทำในความเพียรของแต่ละบุคคลที่จะทำสวรรค์หรือทำนรกหรือทำนิพพานให้แก่ตนแก่ตนเองเป็น กรรมสกตาของตนของตนจริงๆเท่านั้นเท่านั้นกรรมสกตาก็คือกรรมของตนของตนนะใครทำอย่างใดก็ได้อย่างนั้นกรรมสกตาหรือกรรมสกมหิกรรมเป็นของของตน ตนทำดีก็เป็นของตนจะปฏิเสธไม่ได้ตนทําชั่วก็เป็นของตนจะปฏิเสธไม่ได้กว่าคนเราจะเชื่อกรรำจะมีสมาธิธิในข้อที่สี่ทท่านบอกว่ากรรมไม่ว่ากรรมที่ได้ทำไปแล้วนั้นสุกตะ ทุกตานังหรือว่าทําผิดกฎผิดวินัยผิดศีลผิดหลักถ้าเราทำไปแล้วมันก็มีผลมีวิบากผู้ที่ฟังด้วยความหมายก็ฟังได้ฟังแล้วก็เชื่อตามความหมายก็ฟังได้มีเหตุผลอะไรจรอยก็ยกตัวอย่างประกอบว่าให้เราเชื่อให้เราเห็นจริงได้มันก็ได้ แต่ว่ายังไม่ถึงขั้นสัมมาทิฐิมันเป็นแค่สุตตะมยปัญญาจินตามิยปัญญายังไม่ถึงภาวนาใหม่ก็เป็นสัมมาทิฐิแค่ฟังแค่คิดก็เชื่อได้ฟังได้แต่จะถือว่าเป็นผู้ที่เข้าถึงสัมมาทิฐิจริงแล้วก็จะต้องเป็นผู้ที่เห็นอันนี้จังพลนมิจฉาทิฏฐิ ตาที่ท่านยืนเป็นหลักเลยหลักพิสูจน์หลักที่ยืนยันเราจะต้องได้ปฏิบัติกระธรรมแล้วก็เกิดญาณปัญญาเกิดอธิปัญญาเกิดยถาพุทธญาณทัศนะคือเกิดการเห็นความจริงตามความเป็นจริงยถาพุทธญาณทัศนะยญาณทัศนะก็คือความเห็นเป็นปัญญาของเราเห็นเห็นเลยว่าเราได้มาละมาเลิกมาลด แล้กิเมันลดได้จริงเพราะฉะนัานพอเร า, เพราะพเราฝึกพะเราอบรมพระเราตั้งใจถือศีลแล้วก็ตั้งใจจะเลิกจะลดจะละเราก็พยายามให้มันลดมันละลงมาจริงๆิจิตใจเราจางจิตใจเราคลาจิตใจเราได้ชนอะอ่มันเลิกที่จะอยากจะใคร่หรือว่าปรารถนามาให้ตนเสพลดน้อยลงจริงๆ ตัวเองเห็นเลยว่าเราทำแล้วมันเป็นไปได้เมื่อเห็นคุณมั่นใจขึ้นคุณเชื่อขึ้นมออมันลดนะมันไม่แ ท, แท้มันไม่แน่ไม่นอนมันไม่เที่ยงมันไม่ได้เป็นอย่างนั้นอยู่ได้อย่างถาวรตีแตกลดได้นี่ก็พูดซ้ำพูดซากอธิบายเพราะมันเป็นความสาคัญเป็นเรื่องไตรลักษณะเราเห็นอนิจจัง ความเป็นอนิจจังเป็นอย่างนี้เกิดความเข้าใจว่ากิเลสตัณหาของเรานี่มันตีแตกได้ได้เหตุไหนก็แล้วแต่คุณถือศีลข้อไหนก็แล้วแต่คุณจะละจะเลิกอะไรก็ตามใจคุณติดอะไรอยู่คุณเสพอะไรอยู่แล้วมาลดใจคลายลงหนายลงคลายลงจางลงแล้วรู้ความจางความคลายความหนายด้วยตนเห็นของจริงไม่ใช่เป็นนั่งคิดไม่นั่งเข้าใจไม่ใช่ เข้าใจในผู้ก็เข้าใจกันเนี่คนที่สอนให้เข้าใจกันอยู่มีเยอะแต่ไม่ถึงภาวนาใหม่ไม่ถึงภาวนาใหม่พอได้รับคําสอนก็สอนเสร็จแล้วการภาวนาการปฏิบัติก็ไปนั่งหลับตากิเลสเป็นยังไงก็ไม่รู้ศีลข้อไหนเรื่องไหนจะลดจะละเรื่องอะไรกิเลสเป็นยังไงและมันจางลงจากกิเลสข้อนั้นเรื่องนั้นเมื่อพิสูจน์สัมผัสแล้วเราก็สัมผัสมันอยู่เห็นมันอยู่นี่แหละ แต่เสร็จแล้วอาการของเรามันไม่ดิ้นรนไปมันจางมันยอมมันไม่ซับสายมันไม่มีกามันไม่มีโลภมันไม่มีราคะอะไรจัดจ้านอย่างนั้นอย่างนั้นเราจะเข้าใจเลยว่ามันลดลงมาอย่างไรลดลงมามากลดลงมาน้อยเห็นความจริงนี่เป็นผู้ที่เข้าถึงสมาทิฏฐิที่ต้องทบต้องทวนนี่มันละเอียดมันหลายชั้นหลายเชิงแต่คนเราเข้าใจไม่แม่น ก็นึกว่าตนเองได้ตนเองรู้ยิ่งเรียนมานักทำเอกปรเรีาเก้ า, เอาอะไรก็แล้วแต่เรียนด้วยว่าไม่ตรงได้นักทำเอกไม่ได้ป ร, รียนเก้าแต่เรียนมาอ่านมาฟังมาเจ้าเจ้าเยอะสอนคนอื่นอยู่แต่ก็ไม่เข้าใจว่าตนพ้นมิจฉาทิฐิอย่างใดพระเจ้ายืนยันในมิจฉาทิฐิสูตรผู้จะพ้นมิจฉาทิฐิต้องมีสัมผัสเ ป, ป็นปัจจัยตาหูจมูกลิ้นกายใจ ได้สัมผัสอยู่ต่อสิ่งที่มันเคยทุกขต่อสิ่งที่มันเคยมีกิเลสมันก็สัมผัสอยู่นั่นแหละสัมผัสสัมพันธ์ไปตามแต่ไม่ต้องไปเจตนานะไปะเจตนาสัมผัสเอื้อมหนอจับหนอไอ้นนหนอไอ้นี่หนออาะมันก็จะไปมีกิเลสอะไรเราก็ตั้งใจสู้มันเต็มที่เลยแบบนี้มันไม่ใช่ปกตินะ แต่ก็เอาละคนที่มันยังอ่อนแอรจริงๆก็ตั้งใจสู้ซะ ก, ก่อนขณะตั้งใจสัมผัสตั้งใจนี่ปิ้งไก่หนอปิ้งไก่หนอนี่มันก็ยังจะตายเลยมันก็อ่อนแอก็ทุกชั้นอนุบาลชั้นปฐ ม, มจะต้องทําอย่างนั้นแต่ชั้นคนที่ปฏิบัติจริงๆแล้วเนี่ยถึงขีดขั้นแล้วมันจะได้มันจะเป็นนี่มันไม่ต้องไปหนอหนออยู่งั้นหรอกไม่ต้องไปตั้งใจถึงปานนั้นหรอกเป็นธรรมชาติปฏิบัติมากองคปดเนี่ย เป็นธรรมดาเราจะผ่านจะพบไปไปไม่ต้องไปตั้งใจไม่ต้องเจตนาไม่ต้องคิดจะพิสูจน์เราจะเลิกดูดยามันก็มีคนดูดยามายุ่วเราอยู่นั่นแหละมันก็ผ่านก็พบเราจะเลิกกินเหล้าเราจะเลิกกินเนื้อสั ต, ต, ตว์เราจะเลิกแต่งตัวเราจะเลิกรูปรสกลิ่นเสียงสัมผัสเรื่องนั้นเรื่องนี้มันก็อยู่ในธรรมชาติประจําวันชีวิตชีวิตอยู่ในสังคมนี่แหละพวกนี้เป็นแบบฝึกหัด เป็นบทเรียนที่มีของจริงตามความเป็นจริงแล้วเราก็สัมผัสแต่ต้องมีสัมผัสเป็นปัจจัยท่านยืนยันไว้ชัดอย่างนั้นมีสัมผัสเป็นปัจจัยไม่ใช่วิ่งหนีไม่ใช่เป็นนั่งหลับตาเนี่ยมรคองคปดมันมันมันไม่ไม่เข้าทางกันแล้วเดี๋ยวนี้มันมันไม่เอาแล้วมันไปปฏิบัติกันเป็นฤาษีซึ่งเขานั่งหลับตานะีฤาษีเขาเจอมาตั้งนานแล้ว เขคนพบก่อนพระพุทธเจ้าจะอุบัติแล้วก็ไม่ใช่วิชาที่พระพุทธเจ้าตรัตรสรู้ด้วยไม่ใช่วิชาพระพุทธเจ้าตรัตรสรู้เพราะว่านั่งหลับตานั่นเป็นของเก่าของแก่พระพุทธเจ้าตรัสรู้ทางปฏิบัติคือมรรคองแปดที่เราพูด ก, กันอยู่นี้ซึ่งมามีสติปัฏฐานมีโพธิงศ์เจ็ดพระพุทธเจ้ากเกิดโพธิวงศ์เจ็ดจึงเกิดพระพุทธเจ้าเกิดมรรคองแปดจึงเกิด ถ้ามัมีพระพุทธเจ้าเกิดโพธิชงเจ็ดไม่มีไม่มีใครสามารถจะสร้างโพธิชงเจ็ดเป็นทฤษฎีขึ้นมาใช้ไม่มีใครสามารถจะสร้างมรุกองแปดขึ้นมาเป็นทฤษฎีที่ใช้ในการปฏิบัติพระุทธเจ้าท้าทายไม่มีใครสายของพระพุทธเจ้าสายของพุทธเจ้าเท่านั้นตถาคตเท่านั้นจึงจะสร้างทฤษฎีพวกนี้ขึ้นมาใช้ได้ท่านท้าทายท่านาาท้าทายท่นตรัสไว้ชัด ท้าถายว่าไม่มีไม่มีศาสนาไหนลัทธิไหนจะมีมากองแปดไม่มีลัทธิไหนจะมีโพชนงเจ็ดไม่มีซึ่งเป็นสูตรเป็นทฤษฎีที่แน่นอนพิสูจน์ได้เป็นหลักการที่มีมีความเข้าใจเราจะเห็นชัดเจนว่ามันมีมีบทบาทชั้นเชิงและมีสภาพที่เป็นไปตามนั้นซึ่งเราเช็คได้ตรวจได้เป็นไปตามนั้นจริง ผู้ใดพ้นพ้นมิจฉาทิฏฐิเข้าสมาธิก็ต้องถึงขั้นภาวนาใหม่ถึงขั้นภาวนามัยปัญญาแค่สุตะแค่จินตายังไม่มีอนิจจังปรากฏยังไม่แจ้งในอนิจจังเข้าใจลักษยังไม่ถือว่าพ้นมิจฉาทิฏฐิแท้นี่ก็กำหนดความหมายปวกคุณฟังให้ชัดๆ มันต้องมีการประพฤติปฏิบัติเป็นแต่เพียงเปเรียนมาเป็นปริญญาติแล้วแบฉันพ้นมิจฉาทิฐิแล้วเพราะฉันรู้เพราะฉันเข้าใจไม่ใช่ยังไม่ได้พน้นผู้พ้นมิจฉาทิฐินี่เข้ามักแล้วถ้าเผ่อว่าจะนับเป็นบุคคลก็เป็นโสดาปฏิมักบุคคลเข้าไปนะแม้โสดาในคุณธรรมนิดหนึ่งเราเราพูดละเอียดลงไป ก็ได้โสดาปฏิมักนิดนึงเนะข้ามักแล้วนี่พ้นอนิจจังแล้วมั่นใจเห็นแนละ้วนิยถาปุตตยานเกิดศีนสมาธิปัญญาคุณถือศีลข้อ น, นี้ปฏิบัติแล้วขัดกลาวจิตในจิตนี่มันมีกิเลสพอกิเลสมันไม่เที่ยงเห็นลดลงเออมันลดได้ยิงได้สองครั้งก็ยิงมั่นใจยิ่งได้สามครั้งยิงมั่นใจยิ่งได้ลดลดได้มากๆเขาเป็นหน่อยนึงไม่ใช่มากจนหมดนะ มากเข้าไปเลยมาถึงขั้นมากจนกระทั่งถือว่าลดสกายะแล้วลดตัวการใหญ่นี่ลงไปจยงเห็นเห็นอย่างมันลดลงไปอย่างแหมชัดชัดเจนๆว่าโอ้ลดเห็นทุกรถเพราะดับเหตุแห่งทุกถูกตัวยังไม่ถึงขั้นลดสกายะยังไม่ถึงขั้นเข้าสายเขาเป็นโสดาปฏิผลเป็นโซดาบุคคลจนพ้นสกายะยังไม่ถึงขนาดนั้นหรอกเนี่ยเริ่มต้นเพียงพน้นมิจฉาธิศ นะกว่าจะพ้นส ก, กายทิฐิก็อีกขีดนึงถึงขั้นพ้นทุกตอนนี้มันยังไม่พ้นทุกปฏิบัติไปบางคนอี่พ้นแล้วเห็นชัดแล้วว่าได้นะ่ะได้นะ่ะลดลงไปลดลงไปขั้นพ้นมิจฉาทิฐิเท่านั้นในภาวนาใหม่เห็นอ น, นิจจังว่าเออมันไม่เที่ยงนะเราเอามันลดลงได้บอกแล้วว่าไม่เที่ยงมีสองในไม่เที่ยงแล้วเราไม่รู้เท่าไหร่เราไอ้ไม่เที่ยงอีกอย่างหนึ่งนะ่ะอ น, นิจจังกิเล่เท่านี้ ไม่เทียงเพราะมันโตขึต้นโตขึต้นโตขึ้นมันไม่เทียงมันไม่อยู่เท่าเดิมเอานะแต่โตขึต้นโตขึ้นไอ้ไม่เทียงอย่างนั้นมันจะเป็นไปเพื่อความละหน่ายคลายไม่เทียงอย่างนั้นเป็นไปเพื่อความพ่อความภูนพอกกิเลสหนาขึ้นหนาขึ้นก็ปุตุชนปุตุถือแปลว่าหนากิเลสอย่างนี้แล้วมันก็หนาขึ้นหนาขึ้นสมมุติว่ารนะ้อยมันก็ร้อยห้าร้อยสิบร้อยี่สบร้อยสมิบมันหนาขึ้นก็ปุถุชนไม่ใช่อริยะชน ปุถุบุคคลไม่ใช่อริยะบุคคลนะอย่างนั้นมันหนาขึ้นปุถุแปลว่าหนาถ้าอริยะบุคคลแล้วมันก็ไม่เที่ยงเหมือนกันแต่ไม่เที่ยงลดลงนายคลายจางเห็นเองรู้เองเป็นปัจจุบันนั่นเที่ยวยิ่งชัดเห็นอยู่รู้อยู่เข้าใจเลยเห็นไม่ใช่เข้าใจ้วยความเข้าใจตานนั้นเห็นจริงของจริงเออมันเข้าใจว่าสภาวะทำการปฏิบัติรกิเลสลด ต้องเห็นนะต้องเข้าใจัองตนเองแม้คุณว่าแตเลิกกินเนื้อสัตว์พอมาสัมผัสเนื้อสัตว์ไปบ้างตามเหตุตามการคุณก็จับจิตได้เป็นจับอารมณ์จิตเป็นเป็นนักปฏิบัติธรรมนี่ต้องจับจิตเจตสิกของเราเป็นถ้ามันก็จางคลายมันก็ลดไม่เที่ยงไม่แน่ทําไปแม้มันจะกลับมาอีกมันก็สู้กันอีกก็ลดตรงไปได้สู้กันไปก็ลดก็ไปได้อย่างด้วยฝีมือเหมือนกับชกกันต่อยกันเมือก็ฟันกัน เหมือนกันนักรบสู้กันเลยลดลงไปได้จริงไม่เที่ยงแท้อยู่ตามเดิมเรามีทีชนะ ท, ทีแพ้ถ้าคนเก่งๆก็ชนะบ่อยๆชนะมากๆชนะอย่างคนอินทรอินทร์ศีละดีๆมีบา ร, รมีพรวดเลยบางคนบอกลดทีเดียวโอ้ทีนี้จะสัมผัสแตะต้องจะยังไงก็ไม่มีอาการไม่มีอารมณ์เห็นชัดเลยว่าเออชนะอย่างดีก็ยิ่งมั่นใจเห็นอันนี้จัง เห็นความไม่เที่ยงของสิ่งที่เป็นกิเลสทีนี้ลดส ก, กายะได้ก็ลดทุกได้มันไม่ทุกแล้วทีนี้ปฏิบัติอย่างนี้ตามสีลข้อนี้จิตเราก็แข็งแรงจิตเราก็เฉยเฉยเป็นอุเบกขาฐานคือฐานในความวางเฉยได้ในความเบาบางมันไม่ต้องดิ่นแรงมันไม่ต้องผลักดันมันไม่ต้องสู้มไม่ต้องฟนืนไม่ต้องคมไม่ต้องอดไม่ต้องทนอะไรนี่ลดทุกได้แต่กระนั้นก็ยังจะต้องตาม ลดทุกข์ได้ก็คือส ก, กายะทิฐิเห็นส ก, กายะของเราเนี่ยลดกิเลสนั่นแหละมันเป็นตัวการเป็นส ก, กายะลดเพราะเราดับกิเลสกิเลสเป็นเหตุแห่งทุกข์ทุกข์กในความดิ้นรนทุกข์ในความที่จะต้องไปวนเวียนเป็นสังสารวัฏ ต, ต้องไปเกี่ยวไปคล้องต้องไปเสพไปติดลดลงก็ชี้ให้ฟังและอธิบายฟังแล้วว่าโลกหรือวัตตะสงสารคืออะไรไเห็นว่าจิตของเราหมดโลก แต่อยู่ข้างนอกนี่อยู่ข้างกายกับชีวิตมันก็อยู่นี่แหละมันก็มีคุณจะไม่กินเนื้อสัตว์นเนื้อสัตว์มันก็ยังมีอยู่ในโลกนี้แหละมันก็เห็นอแต่เราก็อุเบกขาเราก็สุขบูปสโมสมรสุขนะเราก็สบายเป็นฌานและฌานเหล่านี้เป็นวิมุติฌานนี่คือการเผากิเลสเพ่งเผาคำว่าฌานนี่เขาแปลว่าเพ่งก็แปลว่าเผาไม่ได้เผาอะไรอื่นแล้ว เผากิเลสเราสู้ได้สามารถเราทําได้สามารถก็เพ่งกับเผาลงๆๆๆก็เป็นรถจางคลายลงไปหาวิมุติหานิโรธก็ดับได้เรื่อยๆไปเหลือเศษอีก <c oughs> ก็ต้องตรูตรูปาวจรจิตอรูปาวจรจิตข้างนอกเราเนี่ยเตะท่า ย, ยังกับพระอรหันน่ะใครเห็นแล้วโอ้ยนี่อรหั ต, ตผลแล้วในเรื่องเนื้อสัตว์แต่ข้างในใครจะรู้เรามีะระดิกระรีมีหน่อยๆเล็กๆน้อยๆ อ, อะไรพวกเนี้ย จับมันชัดอยู่นะสําหรับเราเราก็รู้ของเราเองนี่เป็นอัตตานุทิฏฐิเป็นสังโยชน์สูงเป็นรูปราคะอรูปราคะสังโยชน์ชั้นสูงนะนี่เนื้อสัตว์เรื่องเดียวนี่นะเหมือนกับอนาคามีภูมิของเนื้อสัตว์ในโลกธรรมดาในข้างนอกกามภูมิกามคุณห้า ตาสัมผัสหูได้ยินลิ้นได้รสหรือว่าจมูกได้กลิ่นสัมผัสบางทีจับมันอยู่ด้วยซ้ําไปแน่คนอื่นเห็นยังกับพระอรหันต์น่ยหูท่านเฉยเลยนะท่านจับท่านผ่านท่านไมกแต่ใครจะรู้ในใจเราเรานะั่นแหละจะเป็นคนรู้คนอื่นไม่รู้ไม่เห็นด้วยเราอะหเมตังนาชานามิอะหเมตังนปัตซามีติไม่มีใครรู้ใคเห็นด้วยเราเรกาก็พุพทธเจ้าทุกตรัสใครจะไปรู้ไปเห็นได้ด้วยเธอจิตของเธอ เธอก็ต้องรู้เขนของเธอเองอะหะเมตังณชานามิอะหะนี่แปลว่าเราอันเป็นเราเราก็ต้องรู้ของเรานะใครจะไปรู้ไปเห็นด้วยเธออหะนชานามิไม่รู้นปัตสามีติไม่เห็นอหะเมตังนชานามิอหะเมตังณปัตสามีติพรูปริชาติบอกเราไม่รู้ไม่เห็นด้วยเธอนะอันเป็นของเราอันเป็นของใครของใครอันเป็นของเราเราก็ต้องรู้ของเรา พระพุทธเจ้าถ้าบอกเราไม่รู้ไม่เห็นหรือแต่พระพุทธเจ้ายังบอกว่าท่านไม่รู้กับเรานาะแล้วเดี๋ยวนี้มีคนอวดดีมันรู้จิตรู้ใจคนนั้นคนนี้เงี้ามันนั่งรู้คนนั้นคนนี้มันนั่งรู้ใจแบบที่นั่งเพ่งนั่งอะไรอันที่เคยเล่าวันนั้นว่าให้อาจารย์มั่นมันนั่งหลับตาจะตรวจอ่าจะเป็นอาจารย์ไหนก็แล้วแต่มันนั่งเพ่งจับแบบนี้กันนี่นะถ้ามาจับอาตมาอาตมาจะทําอย่างนี้อารว่ารู้ใจอาตมาไม่ยาก จะมาจับอาตมาปราชิกจะอาตมาจะเป้าจับโหวตอุตริมนุษยธรรมอาตมาปราชิกบ่าไ ง, ง น, นะ<ม>เอามาเลยอาตมาจะขอกวนจะตรวจอาตมาเขาอาตมาก็ต้องขอเช็กก่อนสิคนตรวจก็ต้องเก่งหน่อยสิอ เ, เอาเอางี้ถ้ามึเก่งก็เอ า, เอาจะนั่งเช็กกินเลดเนะมันละเอียดนะไม่ต้องเอาละเอียดหรอกเอาหยาบหยาเอาเดี๋ยวนี้เลยจิตอาตมา ก, กําลังคิดนิมโนกรรมกําลังคิดอาตมา ก, กําลังคิดเรื่องอะไรกันตอนนี้ อาตมาจะเขียนเอาไว้แล้วก็ใส่ซองให้คนถือไว้นี่อาตมากำลังคิดคิดเรื่องนี้อาตมาคิดเรื่องนี้ขณะนี้อาตมาคิดเรื่องนี้ตรงๆเลยคิดเรื่องนี้แล้วใส่ซองมาให้คนนั้นถือไว้อาตมาก็จะคิดเรื่องนี้อยู่เนี่ยเอาเช็คเช็คให้ตรงแล้วไม่ตรงตลาชิกก่อนอาตมาเช็คนี่อาตมาเขียนอาตมาคิดเรื่องนี้บอกกองๆเลยคิดเรื่องนี้กำลังคิดอยู่เรื่องนี้แล้วก็ให้คุณแล้วก็เขียนบอกเลยแล้วใส่ซองไว้ ให้ตรงตรวจมาแล้วบอกตรงเป๊ะนั่นะใช้ได้ทำไม่ตรงนั่นแ่ะไม่จริงรู้จิตไม่จริงมันั่งเพลงรู้จิตไม่จริงเนี่ยอาตมานั่งเนี่ยคิดเรื่องนี้เรื่องเดียวเนี่ยเรื่องนี้อาตมาก็คิดแต่เรื่องนี้ให้ชัดๆมากๆคิดเรื่องนี้ซ้ำ ๆ, ๆอยู่นี่คิดเรื่องนี้แล้วเขียนบอกใส่ว่ายอย่างที่ว่านี่เอ้าตรวจก่อนอย่าเพิ่งไปตัวละเอียดมันกี่เหล่ยมละเอียดกว่านี้ เอาเลยปัจจุบันแบบอย่ยางนี้ก็ น, นี่คิดโตโตอยู่เดียเ๋ยวนี้คิดเนี่ยมโนกรรมขนาดนี้คิดเรื่องนี้อยู่เนี่ยอาตรวจเพ่งเขาไปเลยอ่านออกมาให้ได้ขอเช็คซะ ก, ก่อนก่อนจะเช็กเรื่องกิเลสอาตมาพวดเมันไม่ใช่เรื่องเล่นน ะ, ะเจอใครไม่เจอมาเจ อ, มาเจอกับพระโพ ธ, ธิสัตว์ก็คงนาดูเนี่ยเรื่องพวกอย่างนี้ นี่ก็พูดเล่าให้ฟังแต่ยังไม่เคยใครคิดมาคิดกับอาตมายอย่างนั้นอาตมาที่ว่าฟังเล่าเรื่องมาว่าให้อาจารย์มั่นมาตรวจเช็กปวดอุตรีมนุธรรมใครพรีว่าพระปวดอุตรีมุนุธรรมแล้วจะให้อาจารย์มั่นมานั่งหลับคาเช็คขณะพระพุทธเจ้าท่านยังตรัสว่าอะหาเมตังนาชานามิอะหาเมตังนปะซามีติเราจะรู้กันได้ด้วยศีลจะคบคุณกันจะรู้ว่าคนนี้มีศีลยังไงก็คบคุกันะจะรู้ว่าผู้นี้มีปัญญาก็ต้องสักต้องถามกันด้วยซ้ํา จะรู้ว่าพวกนี้มีสมาธิก็จากอะไรอ่ ะ, อะก็ต้องกระทบสัมผัสกันเพือจะรู้ว่ามีสมาธิไม่ใช่มาถึงกินมานั่งเพลงนี่ไม่รู้สูตรไหนไม่รู้อยู่ในบทเรียนข้อไหนมันไม่ใช่ศาสนาพุทธนะอย่างนี้มันเข้าใจเพี้ยนกันเพราะศาสนาพุทธทุกวันนี้มันเป๋ไปออกนอกลูนอ ก, ก, นอกเรื่องอัตมาได้ทบทวนถึงเรื่องสมาธิธที่เราจะต้อง เข้าใจอ น, นิจจังเข้าใจทุกขังไม่ใช่มานั่งท่องใจลักลัสร น, นิจจังทุกขังอนัตตาอะไรก็ไม่เที่ยงลอ้ออะไรก็เป็นทุกข์อะไรก็ไม่มีตัวไม่มีตนพูดเปยใครก็พูดได้แต่ต้องเกิดภาวนาใหม่เกิดผลแห่งการปฏิบัติเห็นจริงเลยอ น, นิจจังก็ปรากฏออย่างนี้คือลักษณะอ น, นิจจังะกิเลของเรามันไม่เที่ยงมันทําให้ลดลงได้เห็นไหมลดลงไปจริงอ จนกิเลสเบาบางในเหตุไหนปัจจัยไหนก็ตามตามศีลตามหลักที่เราสมาทานเรื่องนี้ละ่ะอันนี้มันเกินแรงแเราอยังไม่เรายังไม่ถือละยังไม่สมาทานเราเราทำยังไม่ได้เราก็ทํามาเรื่อยๆจนเห็นว่าอันนี้จังก็ปรากฏทุกข์ก็ปรากฏการพ้นทุกข์ดับทุกข์ทุกจางคลายก็ปรากฏเพราะเราดับถูกเหตุแห่งทุกข์คือกิเลสปัญหาเหตุแห่งทุกขนะ์น่ะใครก็ฟังมาแล้วรู้แล้วน่ะ ต้องเกิดสภาพจริงเลยทุกเราก็รู้ว่านี่แหละคือทุกเพราะว่ามันอยากเนอะไม่ให้มันกินมันก็อยากก็เห็นมันมาทุกข์เพราะมันอยากมันไม่ได้กินสมใจมันก็ทุกข์เพราะฉะนั้นศีลจึงต้องตั้งคนปฏิบัติทาไม่ใช้ศีลมันนั่งกดจิตกดจิตแล้วมันจะไปรู้อาการทุกข์ได้ยังไงคุณเองคุณอยากกินเนื้อสัตว์มันไม่ได้กินแล้วคุณทุกข์ไหมรู้อาการหย อาการทุกข์เป็นอย่างไรคุณเห็นก็อาการจริงเลย ม, มันทุกข์อย่างนี้แต่ก่อนนี้มันไม่ได้เข้าใจว่าทุกข์อะไรนี่คือเห็นอริยสัจเห็นทุกข์เห็นทุกข์ ก, ก็หาวิธีสิอิทธิวิธีใดที่คุณจะละจะลดจะจางจะคลายมันพิจารณาเข้ากดขมเข้าด้วยวิคัมพนับประหารบ้างด้วยตะทางขประหารบ้างทาจริงๆเลยหาเหตุหาผล เออเราไม่กินเราก็ระลึกถึงพระพุท ธ, ธจเจ้าระลึกถึงพระสาวงเราเรึกถึงอาจารย์เออท่านก็ไม่กินเพื่อนเราหลายคนก็ไม่กินเขาก็ยังอยู่ได้เขาก็สองขาสองแขนเขาเป็นผู้หญิงด้วยบางคนตัวน้อยด้วยเขาก็ทําได้เออเราก็ตัวใหญ่ๆเหมือนกันนะตัวก็โตๆเหมือนกันอะไรต่างๆเรามาือนเร็วกว่าเขาอย่างไรก็หาเหตุหาผลหาอิทธิวิธีที่จะตล่อมมันด้วยเหตุด้วยผล ทั้งการกดการข่มทั้งวิคัมพนประหารทั้งตะพังประหารเห็นได้ว่ามันลดลดลดลดจนมันพ้นทุกสกายะลดตัวการใหญ่ลดใหญ่ลงมาจนมันไม่ค่อยต้อ ง, องกดมากข่มมากอะไรธรรมะ ก, ก็ไม่ต้องธรรมะมากไม่ต้องฝืนใจมากไม่ต้องอดทนมากอะไรสละไปได้เรื่อยๆจา่าฆะไปได้เรื่อยๆเพราะเอาจริงสัจธรรมะคันติจาคะเป็นตัวปฏิบัติเอาจิงเอาจิงขึ้นมาเรื่อยๆมันจึงลดจริง เห็นความลดกิเลสลดทุกข์ลดเหตุแห่งทุกข์จนอัตตานุทิฏฐิเป็นรูปราคะอรูปราคะเหลือน้อยๆ้อดูเหมือนเบาบางบอกว่าเตะทาข้างนอกกดข่มได้มันน้อยนี่มันเหลือน้อยมันก็ไม่มีใครเห็นก็ได้ถ้าใครท่าทีดีๆนะขบวนท่าเก๋ๆเกลื่อนปกปิดได้ดีๆแต่ข้างในมันยังมีอยู่นั่นแหะถึงเรียกว่าอยู่ในภาวะพบกามาพบนี่ยหมดละใครก็รู้ว่ากามาพบชนะดูเก๋ แต่ข้างในรูปราคะอรูปราคะจะเหลืออยู่เราก็ต้องอัตานุทิฏฐิเหล่านี้ก็ต้องปราบมันอีกแม้มีประมาณน้อยก็อย่าประมาทพระเจ้าไม่ให้ประมาทแม้แต่โทษภัยอันมีประมาณน้อยปฏิบัติไปมันก็จะสัมผัสผ่านไปคุณก็จะต้องแวววัยรู้ตัวทั่วพร้อมให้ได้นะเนี่ยมันเกิดนิดๆหน่อยๆต้องพยายามรู้เองแล้วก็หาวิธีอิททิวิธีล้างลงอีกล้างลงอีกล้างลงอีกล้างลงอีก ได้ดีก็อย่ามีมานะเป็นมานะสังโยชค ข, ข้อที 8, แ่แปดก็ทำซ้อนซ้อนซ้อนอีกอย่าถือดีถือตัวอยากจะไปสอนคนอื่นเขาไปทะเลาะเบาแวงเขาไปกดไปข่มเขาไปจัดไปจ้านเกินไปเดี๋ยวก็ดีเราปฏิบัติทมแล้วกินเนื้อสัตว์ได้กิเลสของเราก็ลดได้แต่จะหัวแตก ก็ระวังกันแล้วกันเพราะงั้นม า, มาหน้าพวกนี้มันก็ซ้อนเป็นกิเลสซ้อนได้ดีถือดีหลงดีแล้วก็ใช้ดีนี่ไม่เป็นก็ต้องใช้ดีให้เป็นนะใช้ดีให้สอดคล้องให้ดูประสานสมานเป็นสภาพที่พอเหมาะพอดีพอด้ก็ไปเรื่อยๆในตัวมันเองมันมีสังโยชน์ทั้งสิบแม้ในเรื่องไม่กินเนื้อสัตว์มันมีในตัวมันเองแค่เหตุปัจจัยนี้ศีลข้อนี้ มันก็มีทั้งสังโยชน์สูงถึงสังโยชน์ข้อที่สิบเสร็จแล้วก็มันจะยิ่งนิ่งยิ่งไม่ฟุง้งยิ่งไม่ซ่านยิ่งไม่กระดิกไม่มีการขวยเขินมีการปรับทั้งกายปรับทั้งใจของเรานิ่งไม่มีอุทจจะแม้แต่จะสอนเขาจะบอกเขาจะอะไรจะไรก็แนบเนียนมีภาษามีนิรุติเห็นจริงของเราเป็นสัตทินรีเป็นศรัทธาพระละ ศรัทธาเพราะมีศีลศรัทธาเพราะมีพระหูสัจจะมีความจริงมีความรู้ไม่ใช่ความรู้ฟังไม่ใช่พระหสุตตะเท่านั้นเป็นพระหูสัจจะนั่นเทียวน่คือเป็นความรู้ที่เป็นของจริงเป็นพระธรรมกถึกคือเป็นพระธรรมกถึกก็คือเป็นผู้ที่ได้ธรรมธรรมะอันนีน้แม้เราจะยังไม่สอนพูดไม่สอนพูดสอนไม่เป็น เราก็ทรงไว้ซึ่งธรรมนนี้สอนเขาทางกายกรรมเป็นไปได้ยอย่างแนบเนียนอาจหารชาญกล้าเป็นพระธรรมกถึกกล้าสู่บริษัทกล้าเข้าสู่บริษัทเ ข, ข้าสู่หมู่กลุ่มหมู่คนแม้บริษัทนั้นเขาจะมีกินเนื้อสัตว์เราก็กล้าสูงขึ้นไปกว่านั้นกล้าอาจหารแก้วกล้าที่จะสอนสอนชาวบริษัทนะสอนเขาได้ ทางทำทางกายทางวาจาสอนเขาได้กล้าไปถึงอย่างนั้นทรงวินัยรู้ในวินัยอย่างแม่แต่ข้อเนื้อสัตว์ที่พวกคุณก็รู้วินัยไปตัางแย ะ, ะทําไมพระพุทธเจ้าท่านฉันเนื้อสัตว์นี่อย่า ง, งนังนี้แม้ขนาดเป็นคารวาสยังรู้เลยรู้วินัยทรงวิในัยในเหตุในผลในข้อนั้นข้อนี้เราไม่ได้ทําผิดวินัยนะเราไม่กินเนื้อสัตว์นี่เราทําถูกวินัยพระพุทธเจ้าท่านสอนไว้เข้าใจวินัยต่างๆขั้นนั้นคันนี้ อเขาเทียงมาจนเอยเขาห้ามไม่กินมังสะสิบท่นนั้นเราก็มีมุมไม่ใช้มังสะสิบนะท่านห้ามจริงแต่ว่าท่านไม่ได้ห้ามเท่านั้นท่านห้ามเนื้ออื่นด้วยมังสะสิบเนะี่ยไม่มีข้อแม้หรอกมะนะแม้จะเป็นเนื้อบางสุกุลก็กินไม่ได้มังสะสิบเนี่ยเพราะเปเป็นเนื้อพิเลนเนื้อพิลึกเพราะงั้นมังสะสิบนะท่านห้ามมันก็ถูกแต่ว่าไม่ใช่ห้ามเท่านั้นเนื้ออื่นถ่าก็ห้ามะ นื้ อ, อื่นก็ห้ามให้พิจารณายิ่งเป็นพระอยู่ในวินัยแล้วเสร็จเนี่ยโอ้ฉันยิ่งห้ามไว้ให้พิจารณาก่อนฉันทุกทีจะฉันแล้วถ้าเนื้อนี่ไม่บริสุทธิ์โดยส่วนสามฉันไม่ได้นะบริสุทธิ์โดยส่วนสามก็ไปแปลกันเพี้ยนซะอี ก, กว่าะจะต้องผู้นั้นฆ่าหม้จำเพาะแก่ผู้นี้คนนั้นคนนี้นั่นไปนู่นเลยตั้งตั้ ง, งพระบาลีอัตมาค้นมาเจออยู่สองประโยคเท่านั้นเองนะสันจิตจะปานังชีวิตา โบโรเปตุงนั่นประโยคหนึ่งพระบดีอีกประโยคหนึ่งก็อุทธิษฐ์นี่เขาเอาใช้ประโยคนี้อุทิศส์คือมังสาอุทิศอุทิศมังสาอุทธิศฐ์ปาลนังอารพรติเขาใช้อันนี้นะก็ยิ่งชัดเจนใหญ่แล้ะมีอยู่แค่นี้พระบดีไปแปลวา่าข้าไก่ตัวนี้เพื่อสัมพันธ์สัมพันธ์ก็เลยกินไม่ได้ไม่มีนะไม่ได้บรรยายยาวยืดไปหาบุคคลองั้นเลย อุทธิศาแปลว่าความเจาะจงแปลว่าความมุ่งหมายนะจริงอุทธิเนื้อที่อุทธิมุ่งหมายเขาวางเันนะเนื้อที่มุ่งหมายอุทธิเนีแปลว่าให้นะก็ให้แหละคือมุ่งหมายจะให้มุ่งหมายจะเอามากินนะมุ่งหมายอ่ะไม่ใช่เอาไปให้คนนั้นคนนี้อุทธิศานี่มนแปลว่ามุ่งหมายแปลว่าจาเพาะแปลว่าเจาะจงเจตนาเช่นนั้นเรียกว่าอุทิศะ เจตนาฆ่าอารพติเจตนาทำร้ายสัตว์นี้ปานะก็คือสัตว์สัตว์ใดที่เจตนาทำร้ายถูกทำร้ายจะเจตนาฆ่าคนนี่แหละค่าถ้าสัตว์อย่างนี้กินไม่ได้เนี่ยมันเดี้ยวบาลีกับคนละอย่างหรือเล่ากักแปลบาลีกับคนละความหมายเขาแปลอย่างนั้นมาเขาเจาะช่องเล็กไว้เขาก็เลยได้กินน่ะสิก็ใครจะมาอุทิศให้เราล่ะ กว่าจะไปอุทิศให้คนนั้นคนนี้เฉพาะชื่อเฉพาะชื่อก็กินได้เละเลยใช่ไหมครับใครจะบอกแม้แต่พวกคุณมาเนี่ยพันคนถ้าเราฆ่าไก่ฆ่าเป็ดมาเลี้ยงกันนี่นีใครจะมาบอกว่าแม่ไก่ตัวนี้นี่นึี่ต้องคุณสุรศักนะล อ, องกินเนื้อนะไก่ตัวนี้อนี่ไก่ตัวนี้ต้องคุณอําไพนะนี่ไม่เฉพาะเจาะจงให้คุณอําไพกิน ม้วดมว ด, ดทั้งพันนี่แหละกิกนกันอย่างเงี้ยใครจะไปฆ่าจําพองเงินมันก็ได้กินนะสิพูดอย่างนั้นนะใช่ไหมนี่หาเรื่องหาเรื่องเจาะฉลาดหาเจาะหารู้ให้กับตัวเองได้ดีนะแล้วก็ปีมันนานแล้วเขาแปรบาลีแบบนี้เก่งในการเลี้ยงบาลีเดี่ยวบาลีเก่งเพื่อจะให้กิเลส ข, ของตัวเองสบายกิเลสก็เลยโตกันมาใหญ่จนป่านนี้นั่นแหละเนีอย่างนี้เป็นต้น เราก็รู้วินัยรู้เหตุรู้ผลอะไรอื่นๆเอาละพอไม่ไม่ขยายความต่อนะนี่ยกตัวอย่างให้ฟังว่าศรัทธานี่นะพระพุทธเจ้าท่านในศรัทธาสูตรนะท่านอธิบายเอาไว้ว่าศรัทธานี่ไม่ใช่ว่าเชื่อง่ายๆมีเหตุผลมีองค์ธรรมตั้งสิบข้อเนะี่ยองค์ธรรมของศรัทธาเนี่ยในศรัทธาสูตร ผู้จะศรัทธานั้นจะต้องประกอบไปด้วยถ้าศรัทธาไม่มีองค์ธรรมอะไรเลยถือว่ายังไม่ใช่ศรัทธาที่บริบูรณ์นะยังไม่บริบูรณ์ได้องค์ธรรมเลยต้องมีองค์ธรรมประกอบมันถึงจะสมบูรณ์มันถึงจะยิ่งยิ่งยิ่งยิ่งขึ้นไปจะเป็นศรัทธาที่เต็มรูปเป็นสัพทินรียเป็นศรัทธาพระละเพราะจะเกิดศรัทธาพระละเป็นศรัทธาที่ถูกต้องและเต็มพระละกําลังหรือเป็นผลศรัทธาผล เป็นศรัทธาเต็มผลนี่นก็จะต้องเรียนรู้ตามพุทธเจ้าเดี๋ยวพุทธเจ้าท่านสอนเราให้มีเครื่องวัดมีเครื่องชี้ว่ามันศรัทธามันคืองไงไปถึงก็เห็นเขาแม่เสกออกมาปับ๊บแหนเอาสส่สร้อยมาให้ใส่คอเลยเอามาจากอากาศใสบ่บ า, าป า, ปานื้อใสปาปานื้ใส่ยะนะไม่ใช่พุทธปาปานะนืะ้ไม่ใช่พ่อทางพุทธพ่อทงางใส่ไปถึงก็เสกออกมาจากอากาศเลยมาหยิบให้ เราก็ศรัท ธ, ธาหูศรัท ธ, ธาเหลือเกินชื่อถือกราบไหว้เลยนี่แหละองค์พระควันนะเขายกให้เป็นองค์พักวันเลยนะอาจารย์พรรัตนสุวรรณนะยกให้ใสบาบาเี่ทั้งๆชื่อก็บอกสายอยู่แท้ๆแต่ไม่เข้าใจเราทั้งทั้งเทียบปรีดีเจ็ดมานะอาจารย์พรนี่สบาบาแท้ๆนะแล้วก็ก็ชัดศรัทธาเลื่อมใสานี่แหละพระพุทธเจ้าจะต้องศเป็นแบบนี้จะต้องสอนแบบนี้นี่ทางพระพุทธเจ้าพิสูจน์ได้เขาว่างั้นเลยนะแต่นั้นหลวพุทธเจ้ารยนบอกว่า อัตยามิรารามิชิกุชามิเราแล้วก็เบื่อไอไอเรื่องอิทธิปฏิหารแบบนี้เราเบื่อนะแปลเป็นสำนวนสมัยใหม่ก็กูก้เราเบื่อนะรารามิแปลว่าเบื่อท่านเบื่อท่านระอาท่านเกียรติชังชิกุชามิท่านไม่พอใจนะอัตยามิท่านเกียตชังท่านไม่ชอบนะท่านตรับอย่างนี้แท้ๆก็ไม่ศึกษาดูนะ ไอเรื่องอิทธิปาฏิหาริย์ก็ดีอาเทศนาปาฏิหาริย์ก็ดีทีนี้ศรัทธาของท่านนี่ต้องประกอบไปด้วยหลักวิชาเพราะเราศรัทธาแม่ศรัทธาคนนี้ไม่ใช่ใสบ่บาบาโพธิรักบาบาโพธิรักบาบาศรัทธาพราะโพธิรักไม่ใช่เพราะมาแ ม, ม่คว้าแหวนมาให้คุณใส่คว้าทองมาให้คุณใช้จากอากาศหรือว่าแม่มีอิทธิฤทธิ์อิทธิเดชเดินน้ําดําดิน ทะลุภูเขากำแพงไม่ใช่แต่เพราะว่าศรัทธาถ้าจะสูงขึ้นท่านบอกว่าต้องมีศีลเพราะงั้นจะศรัทธาเพราะมีศีลจึงจะดูลุสึกว่ามีหลักวิชาขึ้นมาและอ้อมถือว่าบริบูรณ์ด้วยองค์นั้นบอิบูรณ์ในองค์ศรัทธาเป็นองค์งที่คำที่หนึ่งสองศีลศรัทธาต้องมีศีลจึงจะเรียกว่าเออดังนี้น่าศรัทธา มีศีลยิ่งศีลบริบูรณ์ศีลบริสุทธิ์ขึ้นเป็นอริยะกันตศีลเป็นปริสุทธิ์ที่ศีลสี่เป็นอาศัยขัศีลคุณยิ่งศึกษาคุณยิ่งเรียนคุณยิ่งเจ๋วเลยโอ้คนนี้มีศีลสูงนี่นะพอมีศีลอย่างนอกน้อยคุณก็ดูว่าเออคนนี้มีศีลดูข้างนอกกายวาจาท่านมีศีลอย่างนี้ก็ยิ่งดีก็ดีแล้วศรัทธาเพราะมีศีลศรัทธาเพราะมีพระหุสัจจะ เพระหุสุดตะก็ได้เป็นความรู้ศรัทธาเพราะนอกจากท่านมีศีลแล้วโอ้ท่านก็รู้นะนี่ท่านอธิบายได้บอกได้นะเป็นความรู้ถ้าเราเองเราจะจะเช็คศรัทธาเราก็ต้องเช็คว่าเรามีศีลด้วยศรัทธาเพราะเราทําเชื่ออันนี้เรื่องนี้เพราะอันนี้เป็นศีลเพราะอันนี้เป็นความรู้เราก็ศรัทธาศรัทธาของเราจะสูงขึ้นเป็นเป็นองค์ธรรมถ้าศรัทธาที่มีศีลไม่มีพระหุสัจจะก็เรียกว่ายังไม่บริบูรณ์้วยองค์นั้น ถ้าศรัทธามีศีลแล้วมีพระหุสัจจะหรือพระหุสุตตะจึงถือว่าบริบูรณ์ด้วยองค์นั้นก็ยังไม่พอบอกแล้วว่ามีตั้งสิบองค์เนะี่ยสิบข้อเนะี่ยศรัทธาที่เป็นพระธรรมกถึกไม่แค่มีพระหูสัจจะก็ยังไม่พอเป็นพระธรรมกถึกพระธรรมกถึกคือเป็นผู้ที่มีธรรมะทรงธรรมะสอนได้บอกได้ก็ตามสอนได้แด่กายจะทำพูดไม่เกง่ง แต่มีเห็นโอ้ท่านสอนเราเห็นแล้วก็น่าศรัทธาถ้ามีธรรมะทรงธรรมะเห็นทางกายสัมผัสทางกายท่านก็สอนได้กายก็สอนเราได้เป็นตัวอย่างเราได้เป็นหลักฐานว่าโอ้ท่านทำได้นะศีลอย่างนั้นอย่างนี้นนท่านเป็นนะั่นทรงศีลทรงธรรมอย่างนั้นนะยิ่งเข้าสู่บริษัทก็ได้ไม่ใช่ทรงศีลทรงธรรมแล้วก็อยู่แต่ในกุฎมุดอยู่ในธรรมไม่กล้าออกไปหาใครให้ใครเห็นก็อาย สามาที่มีศีลในข้อที่ลดละเรื่องเรื่องมาลาคันทวีเลปนธารณะมัณฑะจะแต่งจะตบอะไรเนี่นะไม่ใช่ตบนะตบแต่งเน่ยไปเอาแต่งตบเลยนะลดละเครื่องแต่งกายเนี่ยนะไ อ, เ อ, อ้เครื่องผอกเครื่องท่าเครื่องขัดเครื่องทูอะไรคุณก็ลดคุณทําได้นะทรงธรรมนะเป็นพระธรรมกระถึกแต่ไม่กล้าหารชาญชัยเข้าสู่บริษัทแต่งตัวก็ลดการแต่งตัวลงได้คุณทำของคุณได้ แต่อยู่ในกุดอยู่ในบ้านออกนอกบ้านไม่กลา้านี่เลยว่าเป็นพระธรรมกะถึกแต่ไม่กล้าสู่บริษัทก็ยังไม่ในหน้าศรัทธาด้วยองค์นั้นนะกี่องค์แล้วล่ะศรัทธาศีลพระหูสัถถสสจจะพระธรรมกะถึกเข้าสู่บริษัทข้อที่ห้าองค์ที่ห้าแล้วพเพราะนั้นจะบอว่ายิ่งเป็นคนที่กล้าหารเข้าสู่บริษัทนะไปผู้เข้าสู่บริษัทได้ เอกสิ้นข้อเครื่องแต่งตัวมาลาคันทะวิเลปนธารณมนตนรณิภูสนัฐฐานาเนี่ยในการตกแต่งคุณก็ไม่ตกแต่งแล้วเว้นขาดเบรมณีเจตนาเว้นขาดลดละมาได้เราก็กล้าเข้าสู่บริษัทก็ยิ่งหน้าศรัท ธ, ธาคุณก็ศรัท ธ, ธาตัวเองเราออเรากล้านะกล้าเข้าสู่บริษัทหนุ่งป้ถุงเข้าไปสู่หมู่บ้านก็ยังได้นะใส่เสื้อมอสอเข้าไปสู่หมู่บ้านก็ได้ ไม่ใส่รองเท้ายังได้เลยนะถ้าคนที่รถใหม่ๆนี่แม่จะไม่ได้หน้าทาแป้งทะทะแป้งไม่ได้ทาแม่รีบสติกไม่ได้ทาโอ้เราอาหารเราไปไม่ได้แล้วนี่เรียกว่ายังไม่ศรัทธาในธรรมยังไม่ไดศรัทธาในศีลยังไม่ได้มีองค์ศรัทธาที่แน่นหนาไม่มีความรู้พอเพราะฉนศีลก็ยังไม่เก่งพระหุสัจจะพระหูสุตตาก็ยังไม่เก่งยังไม่ทรงธรรมยังไม่เป็นธรรมกระถึกเลย นี่ต้องเป็นจริงเป็นธรรมกระถึกทรงธรรมขึ้นมาจนเข้าสู่บริษัทก็ได้ฟังดีๆนใะนคุณเช็คของคุณไปตา ม, มเป็นอย่างนั้นใช่ไหมนะพอคุณได้แข็งแรงเข้าสู่บริษัทได้ทีหลังทีนี้ก ล, กล้ากล้าอาถารแสดงธรรมกับบริษัทด้วยทางกายข้าไปแต่กายคุณยังไม่แสดงทางปากก็แสดงธรรมยังไม่เป็นไม่เก่งก็ได้แค่แกายแสดงธรรม อ่าอาหานชาญกล้าแล้วเข้าสู่บริษัทโดยไม่เกินไม่เขินแล้วมันก็เป็นการแสดงธรรมทางกายแล้วยิ่งอับมีกาหานชาญชายแสดงธรรมทางวาจาได้ด้วยก็ยิงเป็นพระธรรมก็ถึกที่จริงด้วยแสดงธรรมทางกายก็ได้วาจาก็ได้ยิ่งศึกษาทรงวินัยศึกษาศีลศึกษาธรรมศึกษาหลักเกณฑ์วินัยเป็นข้อที่หทรงวินัยเป็นผู้ทรงวินัย รู้หลักรู้เกณฑ์รู้กฎรู้ระเบียบรู้วินัยรู้เหตุผลของวินัยเหตุผลของหลักเกณฑ์มันดียังไงไม่ดียังไงมันควรยังไงไม่ควรยังไงผิดตรงไหนไม่ผิดตรงไหนยังไงเข้าใจมีปัญญารู้ทรงวินัยก็ยิ่งศรัทธาที่มีน้าหนักของศรัทธาสูงขึ้นไปอีกตั้งองค์หกองที่หกแล้วบริบูรณ์ได้องพระองค์งที่เจ็ดแล้วกล้าหาญ ทรงวินัยองค์ที่เจ็ดแล้วกลาหารแสดงธรรมในองค์ที่หกทรงวินัยในองค์ที่เจ็ดแล้วนะองค์ที่แปดจิตสงบนะเสนาสนะพูดท่านพูดสำนวนของบาลีก็ว่าเป็นผู้ที่เข้าสู่อยู่เสนาสนะป่าเป็นผู้ที่มีจิตอันสงบสงัดเสร็จแล้วเขาก็แปลเป็นตัวภาษาเหมือนก็เดินชนกำแพงทะลุกำแพงภูเขานั่นแหละ พอภาษาธรรมชชั้นลึกขึ้นมาแล้วเขาก็ไปบอกว่าจะต้องออกสู่ป่าอกมาคานแย้งเข้าสู่บริษัทอยู่แล้วในตัวของมันเองในเรื่องนี้นะแม้แต่ข้อนี้ก็นิยมชมชอบคนเข้าสู่บริษัทและยังแสดงทำแก้วกล้าแสดงทำบริษัทพอมาข้อนี้บอกเข้าสู่ป่าอีกแล้วมันจะเอากันยังไงแน่มันจะเข้าสู่บริษัทแล้วจะเอาเข้าป่านะ เพราะฉนคนไม่มีปัญญาก็คานแยงกันแล้วในตัวแต่คนมีปัญญาไม่ใช่อะไรทำป่าในหัวใจเข้าสู่ป่านี่คือมันแปลภาษามันไม่ค่อยออกอ่ะภาษาธรรมมันไม่แปลไม่ออกมันก็แปล ง, งั้นเพราะฉะนั้นคนจึงอ่านภาษาอ่านพระไตรปิฎกหรืออ่านพระบาลีเนี่ยอ่านแล้วมาแปลเป็นไทยมาจากพระบาลีก็ตัวคาว่าป่าเหมือนกั น, น, น, น, นใช่ใช่ใช่ป่ากิเลศ ใชจิตโดยปกติถึงว่าอยู่เสนาสนะอันสงัดแม้ที่ในป่ากิเลสนี้เป็นเป็นป่ากิเลสจริงๆเราก็อยู่ในป่านี้เหมือนอยู่ในเสนาสนะอันสงัดเราี่จิตสงัดนี่มันซ้อนเละเห็นไมฟังความไม่ดีซ้อนและมันซับซ้อน <S <S ๆๆเราอยู่ในป่ากิเลสนี่แหละเสนาสนะอันสงัดและไม่ค้านแย้งกับว่าเข้าสู่บริษัทอาหารชาญก้าวบริษัทเราศรัทธาแข็งแรงแล้ว ใช่ไหมในองค์กรนนะ่ะองค์ทำข้อก่อนนะ่ะเข้าสู่บริษัทแสดงธรรมกลก้าแสดงธรรมกับบริษัทแล้วพอมาข้อที่แปดน่อยยังจะให้ถอยเข้าป่าอีกมันก็เลยเลอะกันใหญ่มันคานแยงกันเนี่ยมนาะเข้าใจภาษาธรรมะไม่ได้และเป็นอย่างนี้แหละอาตมาหน้าอาตมาคิดสงสารคนที่เขาเรียนนะบกวนสับสนโอ้จะเอาอยัางไงกันแนะ่เพราะเข้าใจธรรมะไม่ถึงธรรมเพราะไม่มีสภาวะอ่าไม่มีสภาวะ เลยคานแยงข้อต้นก็ไม่ได้ไปเอาข้อปลายกันมันเป็นข้อเปข้อข้อปลายเป็นข้อต้นเอาเข้าสู่ป่าเสร็จแล้วแล้วเข้าสู่บริษัทแล้่ะถ้าจะเข้าสู่บริษัทก็เลยมันกลายเป็นข้อปลายใช่ไหมเพราะว่าเข้าสู่บริษัทจริงๆแล้วมันข้อต้นก่อนป่าด้วยซ้ำนี่อย่างนี้เป็นต้นนะเพราะนี้วีองค์ทำข้อที่แปดเนี่ยเป็นผู้ที่มีเสนาสนะอันสงัดก็คือมีป่าในใจป่าเอาความหมายว่าป่านีนเป็นที่ร่มเย็น ธรรมชาติเป็นที่ร่มเย็นเป็นที่สะดวกสะดวกใจไม่วุ่นวายด้วยกิเลสเรามีความเป็นความไม่วุ่นวายด้วยกิเลสในใจป่าที่อยู่อันสงัดเพราะฉะนั้นใจสงบสงัดสิ่งเอาความก็คือเป็นผู้ที่สงบสงัดได้แข็งแรงมีพยพ ป, ปนาอ่ามีอัปปนาพยั ป, ปนาเจตโซอภินิโรปนามีสมาธิอัปปนาสมาธิมีพยพ ป, ปนาสมาธิ มีอภินิโรปนาสมาธิเป็นสมาธิใจแข็งแรงตั้งมั่นดีเพราะงั้นอยู่ในวงของบริษัทมีกิเลสห้อมล้อมมีปากกิเลสอย่างรกทึบก็ยังสบายว่างจิตว่างในสุญญาคารเรอภิรติยินดีในเรือนว่างเรือนว่างคือใจนี่เป็นเรือนว่างจากกิเลสแต่เขาก็บอกสุญญาคาเรอภิรติคือพอใจในเรือนว่างต้องไปหาแต่เรือนว่างว่างอยู่ อนี่ ก, ก็แปลกันอย่างนี้ง่ายๆแต่จริงๆมันไม่ใช่นะไม่ได้แปลเป็นภาษาวัตถุอย่างนั้นพอธรรมะเป็นภาษาธรรมเป็นธรรมะชั้นสูงแล้วนี่ลําบากานคนเข้าใจไม่ได้เลยลำบากป่ากิเลสตั้งไหมจึงคนที่มีกิเลส ท, ทั้งหมดนอใช่เป็นปา่ปาอ่าอยู่กับคนที่มีกิเลสได้อยู่ที่ป่ากิเลสได้ในป่ากิเลสสงบสงัดได้หรืออยู่ในเรือนว่างของจิตว่างจากกิเลส อภิรติยินดีในใจที่ว่างยินดีในใจเรือนใจที่ว่างว่างจากศูนย์เป็นมีสุญญาตามีสุญยภาพเนี่ยเป็นความหมายที่ซับซ้อนที่เป็นภาษาชั้นลึกเป็นภาษาธรรมะแล้วมันหกขเมนติลกามันวนกลับไปเลยคนที่ไม่รอบไม่รู้รอบทวนจึงไม่ทะลุไม่ทะลุธรรมไม่รู้แจ้งแทงทะลุนันเป็นงอย่างนี้นะ <S <S พราฉพอถึงข้อที่แปดนี้ ยิ่งสูงก็ไปใหญ่ข้อที่เก้ามีฌานได้โดยง่ายได้โดยไม่ลําบากในฌานทั้งสี่เพราะฉะนศรัทธาถึงขั้นเข้าใจฌานมีฌานจริงๆฌานนี่เป็นอุตตรีมนุสธรรมนะฌานไม่ใชพูดกันเล่นๆทุกวันนี้มีจะไปนั่งหลับตาทําฌานแล้วก็เป็นฌานโลกโลกเป็นฌานที่ฤาษีเป็นฌานนั่งเห็นเลขเห็นหวยอะไรไปนั่งสบายสงบสติอารมณ์เป็นสมถะจิตเท่านั้นอยู่ มันก็มีผลถ้าเผื่อว่าเราสามารถเรียนรู้เป็นจะมาทำเจโตสมาธเพื่อประกอบอในเยี่ยแรงของเราที่อาตมายืนยันให้ฟังแล้วว่าอาณาปานาสติก็ดีหรือว่าทาเจโตสมาธที่มันนั่งสงบเพื่อที่จะให้เกิดอุปการะท่านเรียกว่าอุปการะเป็นอุปการะอย่างยิ่งแต่ไม่ใช่ตัวตรงเหมือนกับเรามีด้ามมีดเราทำด้ามมีด ทําสมถะทาเจโตสมถานี่เมื่อเราทําดํามมีดแต่ไม่ใช่ตัวตัดกิเลสโดยตรงแต่ดํามีดบางทีก็เอากดกดขมขมกิเลสก็ได้เหมือนกันนะเอาด้ามมีดแต่ไม่ใช่ตัวตัดนะด้ามมีดไม่ได้ตัดกิเลสด้านมีดกดกิเลสไว้ก็ได้แต่ดํามีดไม่ได้ทําให้กิเลสขาดแต่ช่วยได้เหมือนกันเพราะฉะนั้นถ้าทํําทาเจโตสมถะก็เหมือนดํามีดกดกิเลสไว้ด้ามมีดหมดแรงกดเมื่อไหร่มันก็เกิดขึ้นมาใหม่นี่เป็นระบบสมถะนะ มือนเขาเอาหินทับหญ้าเขาใช้ว่างั้นอาตมาเทียบเจโตสมถานี่เหมือนด้ามมีดแต่ทีนี้ถ้าเผืว่าเรามีมัดองแปดแล้วเรามีด้ามมีดมัดองแปดเหมือนกับมีดไม่มีด้ามก็ถ้าเราเป็นเนยเนยบุคคลก็เหมือนกับมีมีดที่ไม่มีด้ามเราต้องหาด้ามใส่ซี่มันจะได้มีแรงมากมันจะได้ช่วยได้มากคุณก็ทําด้ามมีดเขาก็เป็นอุปการณ์ใหญ่เลย อได้มีดมีด้ามแหวนถนัดทนันีสามารถตัดกิเลสได้ดีเพราะด้ามมีดมันช่วยเพราะฉะนั้นการนั่งเจโตสมถะจึงเป็นประโยชน์ต่อเราอย่างยิ่งอย่างนี้อุปการะอย่างยิ่งอุปการะมากแต่โดยเฉพาะด้ามมีดเองมันไม่ใช่เครื่องตัดกิเลสแต่มันช่วยเมื่อมีเข้าไปประกอบกับมีดแล้วมันช่วยเราอย่างวิเศษเลยออย่างนี้เป็นต้น อาตมาว่าได้ยกเอาทางหอน ว, ว่าเออมรคงแปดเป็นมีดแต่เจโตสมุทฐานี่เหมือนดำ ม, มีดนี่มันช่วยมากชัดมัอาตม า, าเห็นว่าชัดนะยกแต่คิดอุทารหอ น, นี้ได้เออชัดเนี่ยอย่างนี้เป็นต้นไม่รู้จะอธิบายยังไงให้พวกเราบางคนก็งงงงวย ง, งเ อ, อ๊ไปนั่งทําไมแล้วก็ในเมื่อว่ามันไม่ใช่ทางเอกแล้วไปนั่งทําไมเจโตสมุทฐานพ่อพระเจ้าเขาตรัสด้วยว่าเป็นอุปการะอย่างยิ่งถ้าคุณเข้าใจมีดและดำ ม, มีดอุปการะอย่างยิ่งจริงๆด้วย ถทาหยิบอิโต้ให้คุณไม่มีด้าโอ้โหไปฟันบางทีมือพองหมดเลยแล้วฟันก็ไม่ค่อยขาดน้ำหนักก็ไม่มีแต่ถ้าอิโต้มีด้าดีเรียบร้อยโอ้โหเฉวเฉวเ่วเลยอแจ๋วเลยอย่างนี้เป็นต้นมันจริงนะเพราะาเราต้องทำทั้งสองอย่างในฐานะเราเนยะบุคคลแต่ผู้ที่ท่านพร้อมแล้วผู้ที่ท่านมีอินทรีย์พะละยิ่งยิ่งไม่ต้องนั่งเจโตสมถะเหมือนพญาส่าเหมือนกับเพื่อนของพญาส่ะอีกห้าสิบกว่าคน ไม่ต้องไปนั่งเจโตสมัฏฐานสมัฏแททำไม่รู้เรื่องแล้วท่านหนักเรื่องกามเพราะท่านเป็นลูกเศรษฐีเพราะท่านฟังธรรมตอนนั้นอะไรเครื่มีอินทรีย์พละไม่ต้องมีของท่านมันพร้อมมันมีด้ามมันมีแรงอะไรดีหมดทุกอย่างแล้วเพราะท่านสั่งสมบารมีกันมาแล้วพอฟังธรรมนิดหน่อยท่าก็ชัเลยถ้าไปต้องไปนั่งเจโตสมถฏสมัฏแแต่ท่านมีสมถฏในตัวของท่านแล้วอย่างนี้เป็นต้นก็ไม่ต้องนนี่เราเองมาทําฌานฝึก ปฏิบัติเหล่านั้นแหละมันสั่งสมฌานสั่งสมฌานก็คือการเผากิเลสลดกิเลสละกิเลสเพราะนั้นพอคุณยิ่งเข้าใจถึงขั้นฌานอย่าว่าแต่ขั้นจิตสงบข้อ8ข้อเเข้าใจฌานอ๋อฌามันเป็นอย่างนี้ไม่ใช่เข้าใจง่ายๆนะอาตมาพยายามอธิบายให้พวกคุณเข้าใจฌานเราต้องเป็นมุทุภูตเจกรรมณีเ ท, ทีเต อเนียนชับปฏเตนี่ลักษณะองค์สี่ขององค์ธรรมสี่ของฌานฌานจะต้องฝึกหัดจิตนี่เรานี่แววไว้แคลครองแล้วสามารถดัดกิเลสลดกิเลสละกิเลสได้เร็วขึ้นแล้วเป็นฌานที่มีการงานกรรมนิเยกรรมนิยะมีการงานเหมาะเจาะกับการงานก็ยิ่งแววไวก็ยิ่งตัดกิเลสได้แม้มีอะไรห้อมล้อมมีสัมผัสเป็นปัจจัย mm. นี่มันขยายความของาศาสนาพระพุทธเจ้ามากองแปด ก็ยิ่งเหมาะการงานก็ยิ่งตัดกิเลสได้ดีได้เร็วแสดงว่าเข้าหลักเข้าเกณฑ์เข้ามุทุภูเตกัมมนิเยยิ่งเกิดอัปปนาพย ป, ปนาเจตโสอภินิโรปนาเป็นอัปปนาสมาธิเป็นพย ป, ปนาสมาธิเป็นเจตโสอภินิโรปนาสมาธิยิ่งแนบแน่นแ น, แน่วแน่ยิ่งปักมั่นแข็งแรงจะคิดเท่าไหร่ก็คิดเราเรียนมาแล้วเมื่อวานนี้สังกัปปะ แม้การคิดจะตักกะวิต ก, กะสังกปะจิตอีกส่วนหนึ่งของเราตัวจิตของเรามันก็แนบแน่นแน่วแน่มั่นคงปักมั่นเป็นอัปปนาสมาธิแต่ทางลุษีอธิบายอัปปนาสมาธิใช้งานไม่ได้ถ้าอัปปนาสมาธิเร้วเดอเลยดับไปเลยมันต้องมาใช้อุปจารสมาธิเขา อ, อธิบายไปอย่างนั้นซึ่งอธิบายผิดกันกับสมาธิของอัตมา เพราะฉะนานก็ดีเป็นอุตตริมุสธรรมสมาธิก็ดีเป็นอุตตริมุสธรรมถ้าไม่จริงอย่าไปอธิบายเพราะคนไม่จริงจึงไปอธิบายก็เลยออกนอกความเป็นของพุทธเจ้าไปอธิบายศาสนาลือีสมาธิก็เลยเป็นลือศีไปเพราะงั้นของพุทธเจ้าถเรียนไปพุทธเจ้าแล้วอยพึ่งนะสายพุทธนี่ยอย่าพึ่งอธิบายสมาธิง่ายๆอย่าไปอธิบายฌานง่ายๆอุตตริมุสธรรมนะยิ่งมาบวชแล้วเป็นพระระวังนะอย่าไปพูดถึงฌานหรือสมาธิง่ายๆ ปวดง่ายๆแล้วระวังพังและมันก็ได้พังมาแล้วถ้าจะจับกันปราชิกก็คงจะต้องจับกันไปเยอะเหมือนกันแต่ที่จะถือไว้่ยว่าไม่ปราชิกก็คือว่าถือว่าหลงมันหลงจริงๆมันนึกว่าถูกมันนึกว่าโอ้ฉันก็เก่งแล้วฌานฉันก็เก่งแล้วสมาธิเนี่ยพระอาจารย์ทั้งหลายแหละเยอะแยะเนี่ยอธิบายกันเละเนี่ยที่ไม่จับปราชิกนี่ก็ถือว่าท่านหลงเท่านั้นเอง ถ้าไม่มีข้อแม้ในข้อลงนะปะลาชิกกันบานเลยเ พ, พูดฌานเป็นฌานดุษีพูดสมาธิเป็นสมาธิฤุษีของพระพุทธเจ้าไม่ใช่อย่างนั้ น, นท่านกากับไว้เลยว่าสําคัญนะถ้าฌานไม่เป็นฌานพุทธสมาธิไม่เป็นสมาธิพุทธมันก็ไปรูปเก่าแล้วมันก็ไอไ อ, อรอยเดิมไอรอยแบบที่ดุษีคนพบไม่ใช่ปัญญาสัมมาสัมโพธิญาณของพระพุทธเจ้าคนพบฌานของดุษี ก็ไปศึกษาทําไมแล้วก็มันของตื้นอย่างนั้นน่ะสมาธิก็เป็นอย่างนั้นน่ะแต่ของพระพุทธเจ้าท่านนี่ของท่านเป็นส่วนที่คำภีระทุทศธุรุโภธะก็เหมือนก็เหมือนกับจิตกเจตสิกก็เหมือนกับจิตกเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณมันก็เหมือนอันเดียวกันแต่มันไม่ใช่อันเดียวกันมันมีนัยยะที่ท่านอธิบายแต่มันแยกกันไม่ออกหรอกมันเหมือนศีลสมาธิที่จริงปฏิบัติแล้วมันไม่แยกกันนะ เพราะฉันกับสมาธิสมาธินี่มันคำใหญ่คำรวมสมาธินี่คำรวมนะในคำใหญ่เหมือนกับคำว่าจิตสมาธิก็เหมือนกับคำว่าจิตในคำใหญ่ส่วนคำว่าฌานนั้นจําเพาะลงไปอีกมีความหมายลึกลงไปอีกมีความหมายจำเพาะเหมือนก็เจาะลงไปที่เวทนาเหมือนกับคำว่าคนคุณว่าคนกับผู้หญิงนี่เป็นมออันเดียวกันไหมคนกับผู้หญิงเนี่ย คุณตอบได้ทั้งสองอย่างไม่ใช่อันเดียวกันคุณก็ตอบได้อันเดียวกันคุณก็ตอบได้คนกับคำว่าคนกับคำว่าผู้หญิงอันเดียวกันไหมไม่ใช่ก็แย่งได้ก็แยกงว่าไม่ใช่ก็ได้ฮะคนมันก็แยกจากคาว่าผู้หญิงผู้หญิงมันก็แยกกับคำว่าคนไม่ได้ชั้นใดก็ชั้นนั้นอย่างนี้เป็นต้นแล้วก็คาว่าผู้ชายคนกับคาว่าผู้ชายอันเดียวกันไหม ไม่ใช่ผู้ชายมันก็เจาะลงไปอีกอย่างหนึ่งมันจะอันเดียวกันยังไงนะผู้ชายมันก็เจาะลงไปอันหนึ่งแต่ก็ต้องอยู่ในคนนี่แหละเหมือนกับจิตกับเวทนาสัญญาอย่างที่ว่าเมื่อกี้นี้เพราะคำว่าสมาธินี่คาว่าฌานกับสมาธิอันเดียวกันใช่ไหมคุณบอกว่าอันเดียวกันเมื่อกี้คุณว่าอันเดียวกันอาตมาบอกไม่ใช่ฌานมันเจาะลงไปอีกทีหนึ่ง ชานก็ชานของพุทธก็ต้องมีศีลชานของพุทธนะศีลอะไรของคุณศีลหนึ่งศีลสองศีลสามศีลสี่ศีลห้าอะไรคุณก็รับรองไปสิก็บอกแล้วคุณจะศรัทธาคุณจะรู้จักชาญก็เพราะตั้งแต่ศรัทธามาว่าคุณปฏิบัติอย่างนี้ค่อยๆลดค่อยละชานก็คือความลดความละความเผากิเลสรู้ชาญ น, นี่คือรู้แล้วเผาเพ่งรู้แพ่งเผาแพ่งนี่ก็คือเรียนรู้ พิจารณาเพ่งให้กําหนดให้รู้เป็นปริญญยะและละก็ลดเผาก็คือละลดละลดละลดเป็นปะหาตภานี่เป็นอริยสัจสี่ทั้งนั้นคือเห็นทุกข์แล้วก็ลดทุกข์ลดเหตุแห่งทุกข์เป็นปริญญยะเป็นปะหาตภาก็ทําจริงๆให้แจ้งชัดจนดับสนิทเป็นนิโรธนิโรธก็คือให้มันเกิดภาวนาให้มันเกิดผลคือเกิดผลเกิดผลขึ้น จนคุณรู้แจ้งไม่สัจจิกระตกอสัจจิภาวนาอสัจฉิกระนาให้แจ้งให้ชัดนิโรธให้แจ้งชัดนิโรธไม่ใช่นิโรธคือดับไม่รู้เรื่องนิโรธเนี่ท่านให้แจ้งมันกลับกันนะที่ท่านสอนไว้ในอริยสัจสี่เนี่ยนิโรธต้องทําให้เกิดสัจฉิกระนานิโรธเนี่ยทุกต้องทําให้เกิดปริญญายะให้รู้รู้ทุกนั่นไม่ใช่ทุกมันไม่รู้คุณที่เมื่ีถามแล้วไม่กินเนื้อสัตว์มันทุก เหตุมันก็ต้องรู้กิเลสมันเป็นเหตุแล้วประหารประหารตภาหาทําให้ลดในจางคลายจนมันดับนิโรดนี่มันดับกิเลสมันดับแล้วรู้แจ้งเลยสัตธิกรณะสัจจิกัตวาอาเห็นชัดเลยสัจจิแปลว่าแจ้งไม่ใช่ว่านิโรธแล้วเมื่อรู้เรื่องเลยดับไปด้วยตื่นด้วยไม่เห็นไม่เห็นอะไรไม่รู้อะไรไม่ใช่ เพราะสมาธิพุธยิ่งแจ้งชัดชาญของพุธนี่ทุกๆคนทําได้แต่ทำได้กี่ระดับกี่ระดับอ่าใช่สมาธิของพุทธเนี่ยใช่ชาญของพุทธนี่ทําได้ทุกคนฝึกผลชาญชาญลืมตาชาญปฏิบัติมาก <c oughs> เป็นสัมมาสมาธิ <c oughs> ในสัมมาสมาธิมีชาญอยู่ในนั้นเป็นตัวอธิบาย <c oughs> ขณะนี้ก็กําลังอธิบายมาถึงข้อก้าแล้ว คุณจะศรัทธาเพราะคุณมีฌานได้โดยไม่ยากได้โดยไม่ลําบากในฌานทั้งสี่เห็นจิตของเราวิตกวิจารณ์คือจิตของเราเห็นว่าเราได้ดีปิติเห็นว่าเราเป็นสุขเพราะเบาอบูพสมโมสุไม่ใช่เพราะเสพสมนีม่เป็นทิศทางของพุทธนะทิศทางของาศาสนาไม่ใช่เป็นสุขเสพสมเป็นกามสุขเพราะละกิเลสสุขเพราะได้ดีได้ดีคุณหมายอะไรคุณหมายเพราะคุณมาลดกิเลสได้ดีปิติ สุขเพราะว่ามันเป็นอุเปกขาฐานเป็นวิเวกสงบสงัดเป็นหนึ่งเดียวแข็งแรงเป็นถีตะเป็นอเนนชปะตะหรือถีเตอเนเชปเตเป็นชาญที่ตั้งมัน่นแข็งแรงเหมือนภูเขาหินอเนเชปเตสิ่งที่เราละเราลดในทีนี้กระทบกระแทกกระทั่จะรู้ตัวไม่รู้ตัวก็สบายแข็งแรงไม่มีการล้มไม่มีการเอ็งไม่มีการเอียงไม่มีการแปรปรวนมั่นคง อพินิโรปนาป ก, ปกติเลยจะกร ะ, ะทบยังไงจะสัมผัสจะคิดก็คิดได้จะพูดก็พูดได้จะทำงานทำการจะสัมผัสสัมพันกับสิ่งนี้อยู่ก็เหมือนกับเดินลุยในภูเขาทะลุกำแพงทะลุภูเขากองกิเลสจะหนาจะแน่นเท่ากองกาแพงกองภูเขาเราก็เดินลยุยเหมือนเดินในที่ว่างไม่ทุกข์ไม่หนาไม่แน่นไม่อึดไม่อัดเลยเพราะ เรามีอิทธิวิธีเหมือนเดินหยุ่นเหมือนเดินทะลุภูเขาทะลุกำแพงเสร็จแล้วเขาก็ไปอธิบายแปลกันเป็นภาษาคนว่าเดินทะลุกำแพงพระพุทธเจ้าเคยเดินทะลุกำแพงกี่ครั้งในตำนานในศึกษาถึงในขนาดนั้นในตำนานพอรู้ไหมในประวัติพระพุทธเจ้าเดินทะลุภูเขากี่ทีไม่ทราบเหมือนกันเอ๊มีแต่คนไม่ทราบ ไปอ่านดูนะสี่สิบห้าเล่มไม่มีสักทีเดียวพระพุทธเจ้าไม่เคยเดินเดินทะลุกําแพงกี่ครั้งในตำนาน <S <S ในศึกษาถึงขนาดนั้นในตำนานพอรู้ไหมในประวัติพระพุทธเจ้าเดินทะลุภูเขากี่ทีทไม่ทราบเหมือนกันเอ๊มีแต่คนไม่ทราบไปอ่านดูนะสี่สิบห้าเล่มไม่มีสักทีเดียวพระพุทธเจ้าไม่เคยเดินแหม อิทธิวิธีท่านมีใครก็เชื่อว่าท่านมีอิทธิวิธีเดินทะลุภูเขาไปเลยนะนั่งหนึ่งครั้งไม่เคยเจอแต่พระพุทธเจ้าในทางธรรมะองค์ธรรมะพระพุทธเจ้าลยุยภูเขาอยู่ตลอดเวลาภูเขากิเลสเดินเหมือนเดินอยู่ในที่ว่างกิเลสทาอะไรท่านไม่ได้เลยอย่างนี้เป็นต้นก็เป็นภาษาธรรมะเพราะคนเราเข้าใจภาษาธรรมะไม่ได้อ่าน อิทธิวิธีมีนัยยะต่างๆเป็นประกาศต่างๆตังต้งแต่คนเดียวทำเป็นหลายคนก็ได้หลายคนทำเป็นคนเดียวก็ได้นะสิ่งที่ทาไม่ปรากฏก็ได้ทำไม่หายไปก็ได้อะไรไล่ประโยชนตั้งถึงใช้อำนาจทางกายไปทั่วพรมโลกก็ได้ก็ฟังเป็นภาษาคนเสร็จแล้วก็เลยไปสร้างแบบภาษาชั้นเดียวมากลุกชั้นเดียวเป็นภาษาคนไม่ใช่ภาษาธรรม ก็จะไปนั่งทำสมาธิจะไปเดินน้ำดำดินจะไปทะลุภูเขาเดี๋ยวหัวโนตา ย, ยทะลุภูเขาเ น, นี่ยอย่างนี้มันปฏิบัติธราไม่ได้เพราะงั้นผู้ที่สามารถเป็นฌานจิตเป็นฌานข้อที่สิบวิมุตติอุปโตภาคเขาวิมุตติเป็นผู้เข้าถึงแล้วแลอยู่ในวิมุตติอุปโตภาคเขาวิมุตติรู้อยู่เห็นอยู่เป็นปัจจุบันนั่นเทียว จึงจะเป็นศรัท ธ, ธาเต็มองค์ษย์ผู้ใดมีอย่างนี้ของตนผู้นั้นศรัท ธ, ธาตนได้แล้วศรัท ธ, ธาในตนเชื่อมั่นในตนเป็นสัทธินรีเป็นศรัท ธ, ธาพระเป็นศรัท ธ, ธาผลแม่ศีลข้อนี้ของเราเป็นฌานศีลข้อนี้ของเราเป็นวิมุตต์ตั้งแต่ศรัท ธ, ธาแล้วก็มีศีล น, นะศีลข้อนี้เป็นความรู้ศีลข้อนี้เป็นธรรมกะถึกศีลข้อนี้เป็นการเข้าสู่บริษัทก็ได้สอนก็ได้ สามารถสอนเขาก็ได้นะมีวินัยมีความรู้ของระเบียบวินัยกฎความหมายความอธิบายอะไรรู้พร้อมนะเป็นผู้ที่มีจิตอันสงัดแท้นะเป็นผู้มีจิตอันสงัดแท้เป็นผู้ที่พร้อมไปได้ยองค์ฌานพร้อมไปด้วยวิมุตต์อนะ่าังที่กล่าวนี้จึงเป็นคนที่มีองค์ธรรมที่ศรัทธาบริบูรณ์ด้วยองค์นั้นคือองค์ทั้งสิบเลย นี่ยศรัทธามันมีความหมายมีหลักวิชามีเครื่องกำกับประกอบบอกไม่ใช่ศรัทธาดุยดุยนี่เป็นศรัทธาภาวนาใหม่ศรัทธาที่มีผลในการประพฤติธปฏิบัติเข้าถึงภาวนาแปลว่าการกระทำให้เกิดผลก็เกิดผลขึ้นมาจริงๆเลยแล้วเราก็เชื่อมั่นในอันนี้ ได้วีมุิอันนี้มีถึงบีมุดคุณเข้าใจนะว่าคุณวีมุดบีมุิในข้อเลิกบุรีในข้อเลิกเหล่าในข้อเลิกเนื้อสัตว์ในข้อเลิกการแต่งตัวในศีลข้อเจ็ดข้อแปดในข้อที่ไม่หลงและของใหญ่ของโตนะสมบัติใหญ่สมบัติโตไม่หลงในเตียงใหญ่ตังให ญ, ตใหญ่ตู้ใหญ่ของงามของสวยของโออารุราฟู่มฟามีที่ใหญ่บ้านใหญ่เรือนใหญ่ มีเพชรเม็ดใหญ่มีอะไรใหญ่ๆเแล้วตรงนี้ทักทิ้งของใหญ่ๆโตๆได้เป็นคนน้อยมากน้อยสันโดษเป็นของคนมีของน้อยจเจริญงอกงามมาอย่างนี้เอนี่เรียกว่าเราศรัทธาอทีนี้เรามาเข้าเมื่อคุณเข้าใจถึงเรื่องทวนสังกปายนิดนึงว่าเมื่อคุณมีจิตก็คิดอะไรได้เอ สามารถที่จะคิดแล้วก็ไม่ผิดไม่เป็นมิจฉาสามไม่เป็นไปเพื่อกาไม่เป็นไปเพื่อพยาบาทไม่เบียดเบียนไม่เบียดเบียนตนไม่เบียดเบียนท่านไม่เบียดเบียนนี่ก็อธิบายไปแล้วแม้แต่เราจะพูดว่าคนอื่นเขาเอาหลักสูงสุดขนาดว่าพระพุทธเจ้าทันเทศสอนต้องถือว่าถ้าไม่เบียดเบียนนะขนาดสาวกอาเจียนเป็นโลหิตพุ่งออกจากปากสบรูปสาวกอีกหสิบ บอกคืนลาสิกขาแต่สาวกอีกหกสิบเป็นพระอาหารหันต์พระพุทธเจ้าทำอย่างนี้ถือว่าท่านเบียดเบียนผู้อื่นหรือเปล่าอ่าท่านจงเป็นผู้ที่ประมาณอย่างพอเหมาะพอดีแล้วจะถือว่าพระพุทธเจ้านี่ทำผิดไม่ได้หรืวพระพุทธเจ้าไม่ได้ทำผิดเลยนะท่านใช้ฝ่ามืออาหารหันต์สูงสุดแล้ว แต่เป็นไปได้ที่เขาจะถึงขั้นอาเจียนเป็นโรหิตร้อนพุ่งออกจากปากหกสิบรูปอีกหกสิบรูปบอกลาคืนสิขาอีกหกสิบรูปบรรลุเป็นพระอาหารหันต์อาตมาต้องหยิบยกมาอธิบายพวกคุณฟังเพราะอาตมาถูกว่าเหลือเกินว่าไปว่าทำไมคนอื่นเขาสอนก็สอนไปสิคนนั้นคนนี้มานั่งฟังแล้วเสียแทงเนี่ยโดนขัดโดนขู่โดนกล่าโดนว่ากระทบกระเทียบแต่อาตมาก็แปลฟังแล้วไอ้หยาบ ธรรมะพระธรรมกกระถึกจะ ต, ต้องเทศมีองค์ธรรมข้อหนึ่งว่าจะทบเทศกระทบตนกระทบท่านเดียวบาลีไปหมดเลยถ้าก็ไม่กระทบตนไม่กระทบท่านก็จะเทศซะเลยทีใช่ไหมเพราะว่าถ้าเผื่อว่าเทศแล้วมันก็ต้องพูดถึงพอพูดถึงไม่คุณก็อตมาถ้าพูดถึงกิเลสกิเลสที่มนุษย์เขาไม่ต้องมีมันก็พูดได้ไม่กระทบใครพะกิเลสนี้ คุณก็ไม่มีคุณก็ไม่มีคุณก็ไม่มีคนไหนในโลกก็ไม่มีพูดได้ไม่กระทบใครแต่ถ้าพูดกิเลสที่มนุษย์มีมันก็ต้องกระทบอย่างวัน่ังค่ำอย่ า, ยาว่าจะพูดกิเลสเลยพูดดีกระทบคนไหมกระทบท่านอยู่ น, นั่นเองพูดดีก็กระทบท่านพูดทั่วก็กระทบท่านพูดบาปก็กระทบท่านพูดบุญก็ต้องกระทบท่านคือเรียกว่าเบี้ยวบาลีก่อนบาลี หลายคำที่อาตมาฟังแล้วแม่มันไม่ไปศาสนาไม่ไปอีกคำหนึ่งที่มันชัดๆก็คืออยากคลุกคลีด้วยหมูชนแม่ใครบอกแปลก็ไม่รู้ซึ่งแปลมาจากสังสัก ข, ขะสังคณิกะแล้ว ก, ก็บอกอยากคลุกคลีด้วยหมูชนหมูกิเลศน่ะหมูกิเลศน่ะอยากให้กิตนิศศ ข, ขะลืนนิสระนาลื้นสังสัก ข, ขะกิเลศ ไมแปลว่าหมู่คนไม่คุกคีหมู่คนไม่มีนิมิต ด, ดีสหายดีซึ่งคานแยงแล้วมิตรดีสหายดีไม่ใช่มีแต่ในเมขิยาสูตรที่องค์ไหนเทศวันนั้นอ่าเมขิยาสูตรมิตรดีสหายดีอัตมาแปลสมสำประวังโกว่าสังคมสิ่งแวดล้อมดีนะสังคมสิ่งแวดล้อมดีสิ่งนี้เป็นคุณค่าต่อคนมากมีมิตร ด, ดีมีสหายดีมีสังคมสิ่งแวดล้อมดีนี่เป็นประโยชน์ทั้งสิ้นของพรหมจรรย์ ท่านบอกว่าเป็นทั้งสิ้นของาศาสนาทั้งหมดไม่ใช่ให้หนีจากาศาสนาไม่ใช่ให้หนีจากมิตรไม่ใช่ให้หนีจากหมู่ไม่ใช่ให้หนีจากสิ่งแวดล้อมที่ดีเนี่ยพอเข้าใจผิดมันถึงกลายไปเป็นฤาษีออกาศาสนาพูดถึงเสือเส่อมเสื่อมเสื่อมเสื่อมเพราะเดี้ยวบาลีเพราะแปลบาลีเพี้ยนโดยความเห็นเราไปเข้าใจแบบฤาษีซึ่งมันง่ายไอ้อย่างที่เขาเข้าใจอัตมา ม, มีปัญหาหรอกเดินหนีไปเพื่อที่จะละกิเลสเละละโลก แล้วก็ไปหาวิธีกดข่มลืมตัดตัดตัดปล่อยปล่อ ย, อยแบบนี้จะต้องมาพูดทบบําไมกับพระพุทธเจ้าท่านไม่ต้องตัดสรู้ถ้าอย่างนั้นก็คือความถูกต้องไม่ต้องตัดสรู้เลยเพราะฉะนั้นแปลในพระไตรปิฎกนี่ส่วนมากแปลเป็นในเชิงความหมายเป็นฤษียิมาแปลเป็นไทยเอาสมัยนี้ซึ่งเป็นความเห็นเพียนแล้วเพราะฉะนั้นจึงแปลแม้แต่คําว่าเอโกก็แปลว่าอยู่ผู้เดียวอยู่ผู้เดียวต้องต้องดีเอโกแปลว่าเลิศแต่ว่าเยี่ยมก็ได้เป็นผู้ที่นะ นั่งผู้เดียวเดินผู้เดียวชั้นบินธบัตผู้เดียวอยู่ไม่นานเลยก็ได้บรรลุเป็นพระอรอหรันต์เปล่าเลยชั้นก็เป็นเยี่ยมเดินก็ได้เป็นเยี่ยมนั่งก็เป็นเยี่ยมไปก็เป็นเยี่ยมมาก็เป็นเยี่ยมเลิศแปลว่าเลิศแตว่าเยี่ยมเอกะเอโกเนี่ยแต่ก็ไปแปลเพี้ยนว่าผู้เดียวเพราะความเห็นว่ามันต้องปีกเดียวมันต้องอยู่ผู้เดียวแล้วประเดียวก็อยู่ไม่นานก็ได้เป็นพระอรหันต์ เหมือนดูสีอะระบบดูสีทั้งนั้นเนีวิอาจาท่านบอกว่าอยู่ด้วยการมีมิตรดีสหายดีขัดเกลากันช่วยเหลือเฟืองฟายกันยิ่งฐานสูงเป็นมานณะฐานสูงเป็นมารณะแล้วไม่มีเพื่อนนะไม่มีการละมานณะเพราะมานณะมันไม่ได้เกิดเพราะว่าไปอยู่กับต้นไม้ต้นไม้มันก็เลยเล่นเราให้เรามีมานณะไปอยู่กับหมาหมามันก็เลยทําให้เรามีมานณะ ไปอยู่กับช้างช้างมาเลยทำให้มี m น n ะไม่ยี่เจ้ยเลยมนุษย์นี่แหละทำให้เรามี m น n ะได้เก่งที่สุดเพราะฉะนั้นเราจะรอบท่วนจะแทงรอบทะลุต้องอยู่กับหมูนี่ m น n ะยิ่งหมูชั้นเชิงที่สูงสูงแหเขาสั์เราได้ท่าทีขบวนท่าชั้นละเอียดมนุษย์นะช้างมันทำละขบวนท่าละเอียดเล่น m า n a ของคนนี้ไม่ได้ให้เก่งเท่าช้างก็ทำไม่ได้ แต่ช้างคนนี่สิเอราวันคนนี่น่าดูน่าดเอราวันคนนี่แหละทําให้เราเอเราเผลอไปเมื่อกี้นี่โถเขาทดลองเราแท้แท้เขาใช้เล่เหลี่ยมกระบวนท่าชั้นสูงมาเราก็เกิดจิตมานะซะแล้วมันจึงจะละเอียดละออมันถึงจะรู้เท่าทันโอ้โหเรานี่ไม่แววไวนะไม่รู้เท่าทันจิตตัวเองนะนเมื่อกี้เผลอไปซะแล้ว ก็จะได้รู้ว่าเราเผลอเราผิดเราพลาดจึงจะรูดรอบทวนจึงจะตัดกิเลสหมดสังโยชนิสิทเพราะฉะนั้นยิ่งพระอนาคามีแล้วก็ให้ออกป่าคนละระบบเลยพระอนาคามีเนี่ยจะต้องอยู่กับหมูเลยถ้าไม่เช่นนั้นนจะล้างมานะไม่หมดต้องยิ่งอยู่กับหมูยิ่งทํางานยิ่งฝึกภูตมนุทุภูเตกรมมณีเย ยิ่งต้องฝึกแววไวจิตแววไวกรรมมณีเยต้องการงานเพราะยิ่งกระทบสัมผัสกับทั้งชั้นเก่งชั้นสูงคนนี้ก็สามารถอันนี้คนนี้ก็สามารถอันนี้มันจะได้ช้างชนกันเราก็ช้างตัวหนึ่งเหมือนกันถ้าเป็นช้างที่มีปัญญาเป็นช้างที่เป็นช้างมุรธาพิเศษสามารถกดข่มเป็นช้างที่เชื่องคือจิตเราเน่ยเชื่อง ช้างมุรธาพิเศษที่ได้ก็สั์ได้มุรธาพิเศษแล้วเป็นช้างเชื่องไม่มีพยศอย่างนี้ช้างใหญ่จริงไม่ทะเลาะเบาแวงกับใครจะฆ่าแต่ฆ่าศึกเท่านั้นจะไม่ดื้อกับควานเป็นอันขาดควานคือตัวเราเองควานคือตัวเราเองจะฆ่าแต่ฆ่าศึกมีฤทธิ์มากฆ่าฆ่าศึกได้นี่คือช้างมุรธาพิเศษ แต่ช้างตัวพยศไม่ชนกันหน้าดูไม่เชื่อควานด้วย ก, วกิเลสเราก็ฆ่าตัวช้างเองด้วยฆ่ากิเลสไม่ลงแล้วก็ไม่เชื่อช้างไม่เชื่อควานด้วยควานก็คือตัวเราเพราะงันช้างมูรธาพิเศษแล้วก็คือช้างที่หมดพยศเป็นช้างใหญ่จริงๆเป็นช้างวิเศษนะเพราะเราเองเราก็อยู่กับหมู่คนนี่แหละเขาจะสามารถที่จะ กระทบสัมผัสเป็นปัจจัยทําให้เราเนี่เกิดแล้วก็เรารู้รู้เท่าทันแวววยละเอียดละออยิ่งเป็น อ, นอาศัยอาสวะโอ้โหยิ่งต้องอาศัยคนกระทบกระแทกกระเทือนออกมาไปอยู่ในที่ว่างไปอยู่ในป่าในเขาในทา่าไม่มีทางเลยมันนิ่งสนิทแล้วมันไม่มีเหตุปัจจัยที่แรงมันไม่ออกมันไม่ปรากฏอย่าเป็นนึกว่าเป็นง่ายๆ เพลัทธิพุทธกับลัทธิฤึศิจึงต่างกันคนละแบบคนละอย่างเลยไม่มีมรรคองแปดไม่มีผู้รู้ทั่วถึงถ้าไม่มีระบบมรรคองแปดไม่รู้ทั่วถึงนะท่านยืนยันไว้ชัดเลยสุญญาสุญญาปรัปวาทาส ม, มเนพิอันเยหิลัทธิอื่นที่ว่างจากมกรรคองแปดท่านท้าทายเลย ไม่มีสมณะที่รู้ทั่วถึงสมณะของเขาของรัติไหนก็ตามสมเนธิอัญเยหิไม่มีการรู้ทั่วถึงอันเยหิคือความรู้ทั่วถึงรู้รอบรู้แจ้งรู้ชัดรู้สมบูรณ์ไม่มีรัตที่อื่นไม่มีท่านทา้าทายถึงป่านนี้พระพุทธเจ้าท่านพูดจริงๆนี่ท่านอวดตัวอวดตนอย่างสําคัญอวดตัวอวดตนจริงๆริพระพุทธเจ้านีย่ยกใหญ่ยกโตของตัวเองมากเลย แต่เรามั่นใจเราเข้าใจท่านพูดของจริงความจริงโดยจริงกิเลสที่ท่านจะยกตัวไม่มีหรอกแม้ท่านจะบอกว่ารัฐที่อื่นสู้รัฐที่เราไม่ได้เรามองไม่เห็นใครเลยที่จะยิ่งใหญ่เท่าตถาคตที่จะตัดสรุอ่านสิพระติติดกท่านพูดเนี่โอโ้โหแต่เราเองเราไม่ถือเพราะเรายกท่านไว้เนื้อกล่าวเนื้อเสียนเมื่ใครม่ยกไว้เนื้อกล่าวเนื้อเสียนไม่เชื่อมั่นนะมันก็มันก็มันไส เช่นพระโพธิรักษ์เป็นต้นคนคนอื่นไม่ไม่ศรัทธาอะไรนะคือทุกคนสามัญชนนี่หมายความมีความมีมันมีความหมายทั้งสองในาศาสนาของพระเจ้านี่เป็นวิสามันด้วยาศาสนาพระเจ้านี่เป็นสามันด้วยเป็นวิสามันคือ ศาสนาพระเจ้านี่เป็นอีกแง่เชิงหนึ่งที่พระเจ้าตรัสรู้แล้วต้องเป็นแบบนี้นี่เรียกว่าวิสามันแต่เป็นสามันตรงที่ว่าใครมาศึกษาดีๆปฏิบัติแล้วจะได้ทั้งนั้นเนะ่ะไม่ใช่เราไปศึกษาแล้วโอ้โหหาคนเป็นได้ยากไม่ใช่ต้องเข้าแนวนี้แล้วเป็นอ่าเข้าแนวนี้สมาธิธอย่างนี้แล้วแม้มจะได้กันทวนทว น, น้อยมากบางังมากเป็นสามีจิปฏิปันโน ได้ทําสมควรแก่ทำแต่และบุคคลจริงๆได้น้อยได้มากก็ตามตา ม, ตามพราหมณ์ปัจจัยบา ร, รมีได้ขอให้ตรงขอให้ตรงและเพราะปฏิบัติจริงด้วยอุตสาหาวิริยะเถิดได้ได้เป็นสามัญ น, นะเป็นสามัญได้นะแล้วก็ตามร่องลอยที่ว่าเนี่เป็นสามัญจะมีอภิน ญ, ญาจะมีวิชาอะไรพวกนี้จริงๆลักิเลสได้จริงๆนี่เป็นเรื่องสอนเมื่อ ไม่ลึกลับลึกซึ้งไม่ลึกลับลึกซึ้งเป็นได้ลึกซึ้งไม่ลึกลับเพราะเมื่อเราจะศรัทธาก็ไม่ใช่ศรัทธาไม่มีหลักวิชาไม่ใช่ไม่ใช่ศรัทธาอย่างนั้นเพราะฉะนั้นศาสนาพระเจ้านี่ปฏิบัติแล้วตามท่านได้ยังอาตมานี่พวกคุณตามได้แต่ไปใสบาบาคุณตามไม่ได้ตามไม่ได้ไม่เป็นสามัญไม่ได้ อาตมายังไม่เชื่อว่าจะมีคนที่สองอย่างไ่บาบาป่วยการกล่าวไปไม่ต้องไปเอาทองคำหรอกคว้าวับวั บ, ว บ, ว บ, วบวับออกมานี่อะไรให้มันได้ตะกัวตะแก่ออกมาก็ได้ไม่ได้หรอกไม่ใช่ง่ายนะอาตมายังจะไม่นึกออกนึกไม่ออกว่าจะได้วิชาจะได้เป็นคนที่สองแต่ยังอาตมานี่นะละทิ้งเลิกมาทิ้งเงินทิ้งทองทิ้งเข้าทิ้งของมา ขณะนี้มีหลายคนแล้วในไล่เลียงมาไล่เลียงมาเห็นไหมละทิ้งอบายมุกละทิ้งเนื้อสัตว์ละทิ้งของสวยของงามละทิ้งรูปรถกลิ่นเสียงสัมผัสล ะ, ละทิ้งลาบละทิ้งยศละทิ้งอะไรอะไรมาเนี่ยนี่สิเป็นสามมันแท้ขอให้เข้าทางและพิสูจน์ได้ท้ายมาพิสูจน์ได้นะ นี่มันเห็นผลอยู่เดี่ยวนี้ทนโทษและก็เป็นได้และคุณก็รู้ว่าไอ้ทิ้งมานี่มันเป็นยังไงคุณยินดีพอใจไหมว่างเบาสบายไมอ่าเป็นสภาพที่เรามีคุณค่าอีกไหมด้วยย้อนขึ้นมาแม้คุณทิ้งเขา้าทิ้งของทิ้งสมบัติพัสดุานทิ้งเงินทิ้งทองทิ้งของอะไรที่โลกเขาแย่งกันเหลือเกินเนะ่คุณตกต่าหรือคุณไม่มีคุณค่าหรือไม่มีประโยชน์หรือคุณไม่ภาคภูมิกับตัวเองหรือ นะตอบสินะไม่ภาคภูมิทนอยู่ไม่ภาคภูมิทนอยู่ อ, นะอย่างนี้นะโดนสารพัดถูกสับนะอะไรก็ไม่ได้บาทเดียก็ไม่ได้นะอยังโดนถูกสับอยู่เงี้ยถ้าไม่ภาคภูมิถ้าไม่มั่นใจถ้าไม่ศรัทธาเห็นไหมว่าความมั่นคงของศรัทธามันองค์ธรรมมีองค์ธรรมมีปัญญาเนี่ประกอบขึ้นมามันยืนหยัดยืนยันอย่างนี้เห็นไหมมีศีลมีพิฆพัหุสูตรมีพัหุสัจจะ มีเป็นธรรมกรถึกขึ้นมาจริงเห็นไหมและทรงธรรมทรงวินาจะกระทั่งมีฌานมีวิมุตต์อย่างนี้ยิ่งคนเป็นฌานคนทีเป็นวิมุตต์แล้วนะโอ้ยยิ่งศรัทธายิ่งมั่นจึงเป็นพละงกาลังเลยเป็นศรัทธาพละมั่นกําลังแรงเลยเป็นศรัทธาพระสัททินสีที่ตกเต็มสมบูรณ์อ่อ่านี่ยเป็นสภาพที่เกิด อินรี่ห้าพละห้าที่แท้จริงเราปฏิบัติอยู่นี้ในองค์ธรรมของพระพุทธเจ้าทั้งนั้นนะโพธิปักเธรรมสติปฐานสี่ที่เราประพฤติแล้วเราก็สมัครประธานสังวรประทานประหานประทานภาวนาประทานอนุรักษนาประทานได้ทําสิ่งนี้สังวรมาแล้วได้ประหารลงไปแล้วก็ได้ผลขึ้นมาแล้วก็รักษาผลนี้ไว้ผลนี้ไม่ให้มันเสื่อมไปมันก็เป็นอยู่ตลอดมาด้วยอิทธิบาทสี 4. ได้ภาคได้เพียรโดยวิริยะอุตสาหะมีฉันทะที่จะพอใจทําแม้มันจะฝืนมันก็ยังเอา้าฉันทะวิริยะเข้าไปมีจิตเท่าไหร่ก็สู้ไปแม้หน่านองน้ําตาอยู่เราก็เอา้าได้ไปเรื่อยเป็นอิธิบาทสี่สร้างอินรี่ห้าพละหา้าสร้างจริงๆด้วยโพูดชงเจ็ดเป็นตัวภาเก้าไปเรื่อยด้วยมัดองเจ็ดเป็นทฤษฎีทั้งหมดทําประจําวันทั้งคิด มีความเห็นถูกแล้วทั้งระวังทั้งคิดอย่าให้มิจฉาสามแล้วมีองค์ทรเจ็ดได้อธิบายไปแล้วเมื่อวานทีนี้วาจาสี่มิจฉาวาจาสีา่หนึ่งอย่าให้มันเป็นคำโกหกโดยเฉพาะโกหกไปเกี่ยวไปคล้องไ ป, ไปพาดไปพิงถึงศีลนะอาตมาอ่านเลยดีกานะเพราะว่าเรียบเรียงไว้แล้วไ ม, ไม่ต้องเสียเวลาปรุงก็ไม่ต้องเมื่อยด้วยเพราะเขียนไว้แล้ว เพราะก็ขอใช้ทันทีนนขณะนี้ก็เข้ามิจฉาวาจาสีน่นมิจฉาสีของวาจาก็หรือว่าของการพูดการจาก็ต้องสังวรระวังเช่นกันสี่นัยยะของมิจฉาวาจาก็มีหนึ่งระวังพูดเมือ่อใดอย่าให้เป็นเท็จโดยเฉพาะพูดถึงเรื่องที่จะเกี่ยวกับศีลข้อไหนของเราที่เราถือ พัวพันไปถึงหลักปฏิบัติที่เรากำหนดถือสาหรับเราแล้วก็อย่าให้มันพูดผิดพูดเท็จอย่าให้มันเหลาะเละอย่าให้มันกลายเป็นพูดเลี่ยงพูดโกง น, นี่คือเราถือศีลข้อไม่กินเนื้อสัตว์เสร็จแล้วเราก็พูดเลี่ยงพูดมันไม่โกหกจริงหรอกพูดเลี่ยงไปมันเป็นายหรอกตอนนี้กินเพราะว่าไม่สบายท่านต้องให้กินตับเป็ด เนี่ยพวกเนี้ยมุสาก็เราถือศีลข้อนี้นะแต่แต่ก็หาเรื่องเนี่ยมันตัวดีนะตัวดีนะนแล้วก็มิจฉาวาจาไปแก้ตัวให้แก่ตนนี่ตัวดีนะน้ําพึ่งที่จริงในสมัยโบราณท่านเนี่ยน้าพึ่งขึ้นน้ําเกสรดอกไม้นะมัททุเนี่ยเป็นน้ําเกสรดอกไม้ เพราะน้ำพึ่งโดยตรงแล้วก็กลั่นมาจากเกสรดอกไม้เลยแต่เราเรียว่ามะทุก็จริงภาษาบาลีมะทุมันแปลว่าพึ่งด้วยนะมะทุนี่แปลว่าพึ่งด้วยแล้วก็แปลว่าน้ําหวานด้วยว่าน้ําหวานที่ได้มานี่ยพึ่งมันก็เอาคนก็เอาถ้าคนไปเอามาจากดอกไม้เลยก็ไม่ต้องไปพึ่งพึ่งนี่เข้าใจไหมเราไปแย่งเอาพึ่งมามันก็ไม่งามนักนะไม่งามนักนะ แล้วต้องไปฆ่าพึ่งมาด้วยเป็นน้ำพึ่งอย่างนั้นมันก็ไม่ค่อยสมบูรณ์สมัยก่อนมันเยอะนะสมัยก่อนเขามีวิชาหาน้ำพึ่งมาใช้แต่เดี๋ยวนี้น้ำพึ่งก็ไปตีออกมาจากพึ่งจริงๆเลยแทนที่จะไปเอาน้ำพึ่งคือมดทุนั้นน่ะมาจากดอกไม้มาจากเกสรดอกไม้เดี๋ยวนี้ก็ยังมีที่กลั่นนะกลั่นน้ำมดทุน้ําพึ่งที่เอามาจากดอกไม้ไม่ใช่น้ําพึ่งไปตีแย่งมาจากพึ่งมดทุกนี่มันแปลว่าพึ่งด้วยมันแปลว่าอ น้ำน้ำน้ำดอกไม้น้ำจากเกศซอนดอกไม้ด้วยเลี้ยงก็ไปเป็นลายคุณเลี้ยง ม, มันก็เอาเอามากระแบ่งมันมาก็เบียดเบียนมันมาหน่อยมันอุตสาหามาก็ <c oughs> ใช้แรงมันหาอาหารเนี่ยมากินดีๆนอกจากอันนั้นก็เลี้ยงมันดีๆ <c oughs> ถ่าตัวอ่อน <c oughs> ก็ก็อย่างว่าแหละมันก็เบียดเบียนอยู่เหมือนกั น, นถ้า ไ, ได้ด้ามดอกไม้โดยตรงน้ำเกษรดอกไม้โดยตรงเป็นน้าพึ่งแท้นะเอาต่อไปลองฟังดูตอบนะอย่าให้มันกลายเป็นพูดเลี่ยงพูดโกงเพื่อเข้าข้างกิเลสแล้วทำให้เราเสียศีลหรือทำให้เราไม่ด่างก็พร้อยในศีลที่เราถืออย่างนี้เรียกว่ามุสาพูดผิดพูดเท็จพูดเละพูดและพูดโกงพูดเลี่ยงนีน่เรียกว่ามุสา ศีลที่เราถือแล้วเราก็ละแหละโดยเฉพาะเนี่ยมิจฉาวาจาเป็นอย่างนี้ในองค์ศีลถ้าพูดกลางๆคำกลางๆทั่วไปกว้กางๆเอาว้อย่าโกหกในเนื้ใดๆนั่นเป็นคำสอนในบรลลุกชั้นเดียวก็อย่าไปหัดโกหกเรื่องอื่นเรื่องใดเพราะฉะนั้นบางคนบอกแหมดิฉันมีอาชีพค้าขายไม่โกงไม่พูดโกหกก็ไม่ได้ต้องโกหก เอาละคุณถือศีลข้อคุณยังไม่ได้ถือศีลข้ อ, เ, อเลิกค้าเลิกขายนะคุณยังค้ายังขายคุณก็ต้องค้าขายนะทีนี้ถ้าคุณถือศีลข้ออื่นขึ้นไปได้มากๆแล้วคุณก็ไม่มให้มีดขาววาจา <_ c oughs> เช่นว่าคุณไม่กินเนื้อสัตว์ถือศีลข้อนี้คุณก็อย่าไปพูดเพื่อที่จะโกหกให้เพื่อกินเนื้อสัตว์เพื่อที่จะได้มาซึ้อเนื้อสัตว์มากินโดวยวิธีการต่างๆนานา พูดโกงพูดเท็จพูดเลาะและพูดเลี่ยงพูดเบีย ง, พงเพื่อโกงเข้าหากิเลสแล้วทําให้เราเสียศีล <N> นะข้ออื่นเหมือนกันทําให้เราเสียศีลเช่นข้อวิกาโรโภชนาจะไม่กินข้าวเย็นจะไม่กินข้าวเกินมื้อมันไม่สบายต้องกินข้าวเพรว่นก็ต้องกินยาแล้วก็เลยก็ต้องกินเนี่แหละผิดมิจฉาวาจา น้อยถือสีนข้อวิกาลโภชนาแล้วทั้งๆที่มันไม่สมควรนะเอามันสมควรก็แล้วไปยกไว้จําเป็นจริงๆต้องกินมันสมควรก็ยกไว้แต่มันรู้ใจตัวเองไหมว่าที่จริงยังไม่ถึงขั้นก็ได้ไม่ต้องขี่ราหาเรื่องอย่า ก, กินนะที่จริงไม่เจ็บป่วยอะไรหรอกหาเรื่องกินยากันเลยกันเดี๋ยวเราจะได้กินอาการนี่เสียศีนอยกตัวอย่างให้ฟังเสียสีล น, นี่แหละมุสาแล้วมันก็ ถ้าปฏิบัติในแนวที่จำเพาะลงไปอเป็นเบื้องต้นท่ามกลางบรรปลายที่มีขั้นตอนนี่เราก็ต้องทำตามแต่ขั้นตอนของศีลสมาธิปัญญ า, าศาสนาพุทธจึงเป็นาศาสนามีเบื้องต้นท่ามกลางบรรปลายไปได้แล้วเราก็ไม่ต้องกังวลเออเราไม่โกหกในเรื่องขายเราค้าเราขายเอาแล้วไม่เราเราไม่ได้มีศีลข้อนั้นทีเดียวเราก็ค้าขายไปก่อนมันก็ไม่มีปัญหาอะไรนะในในเรื่องอย่างนั้นนะ มันมีรายละเอียดที่ลึกกว่านี้อีกอัตมายังรู้สึกว่ายากอธิบายไม่ออกขณะนี้นะในแนวลึกของวาจาสีนะเพราะฉะนั้นวาจาแม่โกหกก็อย่างนี้วาจาข้ออื่นก็เหมือนกันแหละ ก, ก, ก, ก็คำนึงถึงศีลเหมือนกันเกี่ยวพันถึงศีลสองก็ระวังอย่าพูดให้มันหยาบมันร้ายมันเสียมันไม่น่านิยมยินดีจนคนรู้สึกไม่ยินดีไม่พอใจจนคนฟังไม่เชื่อว่าเรามีศีล นะพูดเป็นคําหยาบพูดเป็นคําที่มันเสียมันร้ายมันแรงจนคนอื่นฟังแล้วไม่น่ายินดีก็ต้องระวังอย่างอาตมานี่มีคนไม่ศรัทธาเรื่อมายฟังแล้วว่าอาตมาพูดแรงพูดร้ายนะบางทีก็หาว่าพูดหยาบแต่พวกคุณที่ฟังธรรมะเป็นแล้วอาตมาใช้จนจะทั่งเป็นอาตมาไม่ได้เสียศีลและกลับจะได้ให้คุณดีในศีลเสด้วยซ้ําเพราะคําที่พูดนั้นเหมือนคําแรงคําหยาบ พูดเรืขี่เรื่องไอ้หนดไอ้นี่อะไรไปคึณคถึงก็นโน่นก็นพูดได้แล้วก็เป็นคําที่ประมาณแล้วดูบริษัทแล้วดูบุคคลแล้วดูกาละแล้วว่าเหมาะสมที่จะพูดได้เพราะฉะนั้นคำพูดเหล่านี้จึงต้องใช้ปัญญาและประมาณไม่ใช่พาซื่อดูดูดูดูทูทพอกําหนดว่าไอ้นี่ไม่ให้พูดแล้วไม่ต้องพูดอะไรกันพอดีแต่ทั้งที่จะย่า ง, งลึก ถ้าไม่ใช้ภาษานิสสือมันไม่ลึกซึ้งมันไม่ถึงเมื่อมันไม่ถึงไปไม่ถึงเมื่อไม่ถึงก็ไม่เหม็นม่ไม่เห็นของที่ตื้นไม่เห็นของที่ลึกนิ่งดึงมาให้ตื้นนะเพราะว่าของที่ลึกจะดึงมาให้ตื้นก็ต้องสื่อให้ถึงเมื่อสื่อถึงแล้วคุณก็เข้าใจตื่นง่ายพวกคุณได้ฟังธรรมตรมาในคุณตื่นคุณง่ายเพราะมันถึงชักของลึกให้ตื่นได้ โดยสื่อถึงจิงเข้าใจและก็ปฏิบัติได้และลึกซึ้งขึ้ น, นเรื่อยๆรอบโดรอบทวนรอบด้านขึ้ น, นเรื่อยเพราะสื่อได้แล้วคุณก็ยิ่งเข้าใจยิ่งมั่นใจศรัทธาในอาตมาอาตมาก็ยิ่งพูดเหมือนดูคําหยาบคําแรงแต่คุณก็ไม่รู้สึกว่าหยาบแแรงยิ่งชัดยิ่งโอ้โหอย่างนี้ท่านพูดตรงตร ง, ตรง ผ, งผงังๆนะที่อาตมาได้รับฉายาว่าพวกขวานผ่าซากเนี่ยไอขวานจักตอกเนี่ย ก็พราว่าพูดมาตรงแล้เกินผาและเกินคนไหนยังไม่ศรัทธางี้ถูกกระดอนไปก่อนเลยบอกโอ้โหพูดไม่ไว้หน้าเราเลยก็น้าคุณก็อยู่ที่คุณจะไว้ไม่ไว้ก็ของคุณน่ะอาตมาพูดมาไปถูกแสตหน้าคุณเท่านั้นหาว่าไม่ไว้หน้าคุณบางทีคนเขาไม่รู้รลยนะว่าคุณเป็นยังไงบางทีมาใหม่ๆด้วยยังไม่รู้จักใครได้ซ้ํานะและหาว่าอาตมาเนี่ยไม่ไว้หน้าเพราะอาตมาไปรู้เลยคุณว่าคุณหน้าคุณมีอะไร ยังไม่รู้หน้าจะมาก็พูดธรรมะมันไปโดนแสกหน้าคุณคุณรู้สึกตัวเองโอ้โหว่าเราไม่ไว้หน้าคนอื่นเลยคนอื่นก็ไม่รู้มาใหม่ๆนี่เพื่อนฝูงยังไม่รู้จักด้วยซ้ำคุณไปมีอะไรผิดอะไรเสียอะไรเลวอะไรต่างๆนานาแต่เราพูดชัดพอชัดคุณก็ฟังมังก็ชัดโอ้โหท่านดาน่าฉีกหน้าเราเลยแต่เพื่อนเขายังไม่รู้อะอย่างนี้เป็นบ่อยๆนี่พวกที่มาในนี้หรือที่ไหนก็แล้วแต่ หาว่าเราฉีกหน้าฉีกอะไรหน้าใหม่ๆกันทั้งนั้นไม่รู้จักกันเลยซ้าไปว่าเป็นอะไรมีอะไรไม่ได้ฉีกหน้าคุณเลยแต่คนเก่าๆกับฉีกหน้ากับพวกเรากับไม่ว่าอะไรใช่ไหมพวกเรากับโดนฉีกหน้ายังไม่ว่าอะไรเพราะศรัทธาแล้วเพราะเริ่มใสแล้วฉีกหน้าได้นะแต่คนที่มาไม่รู้ไม่รู้เรื่องนี่มาใหม่ๆหาว่าฉีกหน้าแล้วไม่พอใจเลยหนีออกไปเลยมันเป็นข้อสอบคัดเลือก เพราะคนนั้นไม่ไม่ไ ม, ไ ม, ไม่ไม่ลึกซึ้งคนนั้นตื้นน่ะไม่รู้ตัวพอเข้ามาป้าก็โดนว่าหน่อยเดียวแม้ขีก่ออกมาชัดชั ด, ชดมันชัดเหลือกเกินมันถึงรู้สึกว่าตัวถูกขีดหน้าเออมาถึงก็โดนด่าเลยแล้วดูซิไม่ไว้หน้าเราดูดูคนเยอะแยะแต่เขาไม่รู้จักคุณเลยสักคนคุณไปทําชั่วทําเลวอะไรอยู่มาเขายังไม่รู้จักไม่ได้คบคุณแล้วหาว่าฉีกหน้านี่คุณถูกไหมไม่ถูกนะแต่พวกเราเนี่ยโดนฉีกหน้าแล้วกลับไม่หนี เพราะว่าอ่าเราเข้าใจแล้วท่านขีดหน้าเรานี้ดีแล้วละจะได้ประจานใชมั่งประนามมั่ไหมประนามนี่แปลว่าสันเสริญนะอ้าวประนามแปลว่าสันเสริญประนามคาถาสันเสริญพระพุทธคุณธรรมคุณสังฆคุณที่เราสวดทุกเช้านี่อิติปิโสพระควาเนี่ยเรียกว่าประนามคาถานะสันเสริญคุณพระพุทธอสันเสริญพระพระพุทธธรรมประสง์ อย่างนี้เป็นบทสรนเสริญคุณเรียกว่าประนามค า, าถาประนามแปลว่าสันเสริญนะเพราะถ้าคุณเข้าใจธรรมะแล้วมันกลับกันเลยบอกอ๋อนี่ท่านกําลังสันเสริญเราเพราะท่านกําลังบอกความชั่วเราให้เลิกเสียรู้ตัวเสียว่ามันหยาบยังไงมันเลวยังไงมันต่ํามันชั่วยังไงเราจะได้เข้าใจชัดๆบอกโอ้โหต่ําอย่างนี้เชลิ้มเลอพระคุณเจ้าแหมอุตสาหแบกไว้ได้ต่อไปนี้ดิฉันทิ้งแล้วทิ้งแล้วคุณก็ชับ มันก็ได้ทิ้งนะสิเพราะคุณไม่มีปัญญารู้ตัวอาตมาก็ชี้เห็นว่ามันชั่วมันต่ามันหยาดอย่างนี้นะมันก็แรงไงทีแต่แรงแล้วคุณก็ไม่ถือสาในการที่อาตมาฉีกหน้าคุณคุณก็ได้โอ้โหฉีกชัดๆอย่างนี้ก็เห็นนะ่ะทีมันก็เนา่างี้อุตสาหนึกว่ามันดีอุตสาหประคบประงมเลี้ยงดูมันไว้ตั้งนานไม่ฉีกแรงงนี้ก็ไม่รู้เพราะปัญญาเราไม่มีท่านขี้แค่โอ้โหตายก็อุตสาพอหลงอบลมบม่มมันเอาไว้ ประครบปรงง ม, มันไว้ต่อไปนี้ดิฉันจะไม่เอาแล้วจะหาวิธีทิ้งมันแล้วบางคนระชัดอย่างนี้ทิ้งได้อย่างแรงเลยเพราะว่าโอ้โหชัดถึงใจก็ทิ้งได้ทันทีมีริดแรงในการที่จะสละสละัดช่วยกันได้ด้วยประการอย่างนี้นะที่ช่วยกันเนี่ยเสร็จแล้วคนก็กลับไม่เข้าใจแต่พวกเราที่ได้ประโยชน์ไ ด, ได้ประโยชน์จากอันนี้นี่คือวาจาเพราะฉะนั้น เราก็จะต้องพยายามรู้กาลาเทศไม่ตื่นนะอัตมาบอกแล้วเมื่อกี้ว่าเอออธิบายยากนะคําที่พูดว่ามันหยาบเนี่ยมันดูมันร้ายมันหยาบมันเสียมันหายเสียหายนะเพราะฉะอธิบายไปขนาดนี้ก็คงเข้าใจนะเพราะงั้นคนที่พูดหยาบนี่จึงมีไวยะไม่ใช่หมากรุกชั้นเดียวง่ายๆพูดตื่นตื่นอย่าพูดนะคำว่าขี้คําว่าโหงวเหวคําว่าในความชั่งก็วิเคราะห์ไปเห็นว่ามันต่ํามันหยาบเปรียบเทียบกับหมูกับหมา ขนาดบางทีเปรียบเทียบกับหมูกับหมาแล้วพอคุณยังรู้สึกว่าหมาก็หมาฉันยังรักมันอยู่นี่หมาก็หมาก็ยอมเป็นหมาคือขนาดนั้นเห็นไหมเน่แล้วก็สารนะเนี่ยก็ว่ากันว่านี่ละไม่หยาบแต่แน่นอนคนที่ฟังไม่ได้จะถือว่าหยาบมันจึงต้องคบคุณมันจึงต้องรู้ว่าเอท่านมีสีหรือเปล่าท่านพูดอย่างนี้ท่านพูดหยาบหรือเปล่า จะครบคุณจึงจะรู้ถ้าไม่คบคุณจะรู้ได้อย่างไรเนะีจะรู้ว่าอาตมามีปัญญาหรือไม่มีปัญญาคุณต้องสักต้องถามแล้วอาตมาก็สาธยายางี้เมื่อคุณตั้งใจฟังด้วยดีคุณก็จะเข้าใจอ๋อนี่ท่านพูดด้วยปัญญานะถ้าไม่ใช่คนพูดตื่นตื่นอะไรนี่อาตมาว่าอาตมาพูดส า, สาธยายพวกนี้ไม่ใช่ของตื่นนะคุณฟังเนแล้วนี่คุณว่าตื่นเนอะไม่ตื่นนะเห็นไหมอาตมาเป็นคนลึก จริงๆอาตมาว่าอาตมาเป็นคนลึกซึ้งน ะ, ะต่อไปข้อสามทีนี้ต้องระวังอย่าพูดให้เป็นผลจนคนเกลียดชังกันทะเลาะกันอย่าพูดให้คนจนคนทะเลาะกันเกลียดชังกันที่อาตมาพูดถึงเรื่องไม่ดีไม่งามหลายๆอย่างออกไปเนี่ยคุณก็อย่าไปเกลียดไปชังเขาอซึ่งอาตมาก็ห้ามยากเหมือนกันและบางคนจิตใจคนที่เข้าใจยังไม่ได้แต่เมื่อคุณมาปฏิบัติธรรมกับเราพวกเรามากๆแล้ว ถึงแม้อัตมาจะไปวิเคราะห์วิจารคนนั้นคนนี้เป็นผลไม่ดียังงนอย่างนี้คุณก็วางใจได้มากขึ้นคุณก็รู้สึกไม่ติดใจไม่ไปถือสาเขาก็เราก็รู้ว่าเออมันก็เหมือนน้องเล็กๆและพงโนนเขายังไม่รู้เขาก็มีอยู่อย่างนั้นแหละเอ็นดูกันเมตตากันอย่าไปด่าเขาอย่าไปเกลียดชังเขานะเป็นอย่างนั้นคนที่ผิดก็คือคนผิดคนที่ยังไม่ดีคือคนชั่วอยู่ก็ชั่ว ไม่ต้องไปเกลียดไปชังอะไรสงสารกันถ้าเราไม่สงสารคนชั่วไม่สงสารคนผิดแล้วมันจะได้ช่วยกันยังไงที่อาตมาทางานอยู่เดี๋ยวนี้เนี่ยพวกคุณเนี่ยมันดีมาทั้งหมดหรอดีมาเนี่ยดีมาก่อนหรือเปล่าดีมาก่อนหรือเปล่าแหนเก่งตอบนะเนี่ยะจะตอบให้มันตรงคําเลยก็ไม่ได้ ดีมาก่อนหรือเปล่าก็บอกว่าไม่ดีมาก่อนก็ได้ดีน้อยกว่า น, นี้เลยออใช้โบหานนะคุณครูนะคุณครูเออนะดีน้อยกว่า น, นี้เอยนะแต่ก่อนมาเนี่ยมันชั่วมากดีน้อยอ้าวชัดชัดใช่ไหมก็ชั่วมานี่ถ้าอาตมาไม่สงสารคนชั่วไม่เมตตาคนชั่วมาถึงพวกคุณชั่วมาไปไปไปไปไปไม่สอนอะเกลียดแล้วมันจะได้ช่วยกันยังไง ใช่ไหมไม่ได้ช่วยกันหรอกมันต้องช่วยกันก็เพราะว่าเราเห็นแก่เออไม่เห็นแก่คนชั่วคนดีอจะมาไม่ไปเห็นแก่หรอกก็เขาช่วยตัวได้แล้วแล้วเขาดีแล้วจะไปเห็นแก่เขาทําไมเขาควรจะมาเห็นแก่เราที่เราเราต่ํากว่าเขาห่ะกเขาดีกว่าเราอ่ะเขาต้องมาเห็นแก่เรานะเพราะเรามันไม่ดีนะเขาต้องมาเห็นแก่เราเราจะไปเห็นแก่เขาทําไมเขาดีแล้วเขาได้แล้วเขารวยอริยทรัพย์แล้วอ่ะ ใช่ไม้มเขาจะไม่เห็นแก่เราเลยเพราะคนที่มีอริยทรัพย์ต้องเห็นแก่คนจนอริยทรัพย์คนรวยเงินทองเงินบาทเงินโลกโลกโลก็เหมือนกันคนรวยอย่างนั้นต้องเห็นแก่คนจนแต่นี่เขาไม่มีสัจจะเขาไม่มีความรู้ทางธรรมเขายิ่งไม่เห็นแก่คนจนเลยและคนจนจะไปเห็นแก่คนรวยเอาเนื้อแพะไปแปะเนื้อช้างก็ตายสิ เน <rude S 2> <ics> ี่ยคนจนทุกวันนี้นี่ถูกครอบงำด้วยความไม่เข้าใจทางธรรมทำอะไรก็ไปเห็นแก่คนรวยลูกน้องเห็นแก่ผู้ใหญ่เลยกลายเป็นไปได้โอ้ไปได้ไปชูช่อผู้ใหญ่หมดลยผู้ใหญ่ต้องเห็นแก่ผู้น้อยนี่สัจธรรมเนี่ยผู้ใหญ่ทุกวันนี้พยองโยอแล้วคนต้องมาปกคองประมงฉันต้องมางอมางอนฉัน ฉันจึงจะให้ไม่ได้หรอกน้ําใจต้องไม่เป็นอย่างนั้นน้าใจต้องผู้ใหญ่ต้องเห็นแก่ผู้น้อยเออมันผู้น้อยนะมันก็ยังไม่มีความรู้นะมันก็ต้องมีผิดมีพลาดก็ต้องอภัยมั่งเออคนนี้มันจนนะมันต้องค่อยๆให้เขานะเขาจนค่อยๆแจกจ่ายเอื้อเฟื้อเกื้อกูลอย่างนี้โลกจึงจะอยู่กันอย่างพราดรภาพสันติแต่ทุกวันนี้มันกลับกันแล้วผู้ใหญ่ก็ต้องเองต้องมาพินอกปิดท้าวข้ามาเห็นแก่ข้า ฉันรวยแล้วแก ต, ต้องมางอฉันเพราะฉันรวยเอะฉันจะได้ให้เศษเบีย้ยเศษบาทไปแล้วบุญคุณอยู่เยอะด้วยนะให้บ้าแล้วมันจงบุ ญ, บ, ญบุญคุณเยอะด้วยนะฟังธรรมะให้ดีๆเนี่ยที่พูดเนี่ยทําฟังธรรมะให้เป็นนะเพราะงั้นแม้แต่การจะเกื้อกูลกันเราก็อย่าไปไปไปไ ป, ไปเกลียดไปชังคนจนคนคนคนทั่วนะ อย่าพูดให้เกลียดชังกันทะเลาะกันอย่าให้มันไปทําให้คนอื่นยิ่งเข้าใจสับส น, นพูดพูดคําพูดเสียดสีเนี่ยที่เขาแปลกันว่าเสียดสีเนี่ยคําพูดปิปสุนกวาจานี่นะอย่าไปทําให้คนอื่นเข้าใจสับสนในศีลนั้นๆโดยเฉพาะศีลที่เราถือนี่เรียกว่าอย่าไปให้คนเข้าใจผิดเนี่ยอย่าไปให้คนชัง หรือยิ่งไปทาให้มันขัดกันคานกันหนักขึ้นมากขึ้นในศีลตามขอบเขตความหมายที่เราถือนั้นหรือที่สุดทําให้ผู้อื่นต่างรับไปแล้วทะเลาะกันนี่เรียกว่าปิสุนนาวาจาเนื่องมาแต่ศีลนั้นดังนี้ก็ระวังอย่าให้เกิดนี่เพราะความหมายพวกนี้ลึกขึ้นแล้วในความหมายของวาจามิจฉาวาจาเพราะเราถือศีลข้อใดก็ระวัง เราไม่กินเนื้อสัตว์แล้วอย่าไปพูดให้คนอื่นเขาเละคนอื่นเขาชังเราคนอื่นเขาชังพูดถือศีลกินเนื้อสัตว์หรือไปพูดได้เราถือศีลไม่กินเนื้อสัตว์แล้วก็ไปพูดให้คนอื่นเขาทะเลาะกันหรือเราไปพูดแล้วเราก็ไปทะเลาะกับเขามีพวกนี้ปิดสุนนะวาจาพูดแล้วมันเสียดมันบาดใกล้แปลกันได้ว่าส่อเสียดแล้วไปพูดสอเสียดที่พูดนั่นคือ เสียดสีไปแปลความหมายผิดพูดเสียดสีไปไปพูดไปเสียไปเฉียดคนอื่นไม่เชียดแล้วผ่าตรงๆเลยหรือแม้จะเศษเศษบ้างก็ต้องเสียดเพราะว่าคนนี้เราพูดแรงเขาไม่ได้ก็ต้องพูดเศษเศษให้เขารู้สึกตัวทีนี้พระพระบาลีนี่แปลแล้วมันเพี้ยนอย่าไปพูดเสียดเขาไม่เสียดเลยนะบางทีเนี่ยเราพูดผ่าตรงเลยนะ แต่แน่ใจไ้มว่าพูดเขาแล้วนี่นะไม่ทะเลาะกันนี่ผิสุีหน้าวาจาพูดแล้วเขาเข้าใจนะไม่ทะเลาะกันเขาจำนวนเลยโอ้โหอันนี้ต้องยอมรับต้องต้องต้องจริงไม่ใช่เสียเลยตรงเลยด้วยเพราะข้นี้พูดตรงไม่ได้เราต้องเสศษเสียดไว้อย่างนี้ไม่ผิดศีลข้อนี้แล้วหาไม่พูดเสียเขาทำไมเขาไม่กินเนื้อสัตว์เขาเขากินเนื้อสัตว์อยู่เราไม่กินก็ไปพูดเสียเขาทําไมเอ๊ะเลยไม่ต้องบอกกันเลยไม่ต้องรู้กันเลย ก็แจ้งสิเขาก็ไม่รู้ว่าเรากินเขาก็ไม่พยายามที่จะรู้ว่าไม่กินเนื้อสัตว์นี่ดีก <c oughs> ็เลยไม่ต้องพัฒนาอะไรจุดหมายก็คือว่าอย่าให้เกิดการทะเลาะ ก, กันท่านอธิบายความไว้ว่าอย่าเอาคําข้างนี้ไปพูดข้างโน้ในคนข้างข้างโน้เขาเกลียดชังอย่าเอาความข้างโน้มาพูดข้างนี้ให้เกิดจะเกลียดชังในองค์ธรรมของข้อปิสุนนาวจาร์เสร็จแล้วผลสุดท้ายทั้งสองนี่ทะเลาะ ก, กันตี ก, กันทะเลาะ ก, กันอย่างนี้ปิสุนนาวะจาร หรือเราเองเป็นหนึ่งกับเขาเป็นสองเราพูดไปแล้วพูดกับเขาเขากับเราเลยทะเลาะ ก, กันอย่างนี้ปิสุณนวาจาพูดยังไงแล้วให้มันมันบาดมันเสียดถ้าแปลปิสุณนวาจาวายาพูดให้บาดเสียดจนทะเลาะ ก, กันเต็มความเพราะนั้นเราจะพูดยังไงเราระมัดระวังศีลก็มัระวังคําพูดอย่าให้บาดเสียดจนทะเลาะ ก, กันพอมาพูดกันส่อเสียดนี่ก็เข้าใจความกันไม่ได้ อไปพูดให้ทะเลาะข่างโน้นข่างนี้กันนะถ้ะาอธิบายความไว้ในพระเจดียกอธิบายแบบความหมาย ต, นตน้นๆอย่าพูดให้เขากลั่กันทะเลากละกันแล้วก็ถ้าถือว่านี่เป็นเรื่องที่สุดท้ายพูดแล้วให้มันเข้าใจกันไม่ได้มันจะพูดกันให้เข้าใจได้แม้จะผ่าอย่าว่าจะเสียดเลยเสียดแล้วเขาก็ไม่โกรธไม่เคืองอะไรแล้วไม่เป็นไรเขาก็ไม่ถือสาแล้วเสียดแล้วเขาก็ยังพอรู้สึกรู้สึกซะด้วยซ้ําไม่เป็นไรหรือยิ่งผ่าได้โดยเขาก็ไม่รู้สึก พีดชังไม่รู้สึกจะต้องทะเลาะเบาะแหวงกันได้ะจะให้น้ำหนักได้เท่าใดอย่างอาตมาพูดเนี่ยว่าผ่านไปเรื่องนั้นเรื่องนี้แม้แต่พระอื่นๆที่เขาได้ยินเขาก็ว่าว่าเขาเขาก็ไม่ได้ถึงกับขนาดโกรธอาตมาไม่ถึงเอาทะเลาะอาตมาเป็นส่วนใหญ่ก็แน่นอนคนกิเลสมากๆเขาก็ไม่ชอบใจแหละมันมีอยู่จริงๆ บางคนอาจจะอาเจียนเป็นโลหิตร้อนพุ่งออกจากปากบางคนบอกเอ้ยลัทธิโพธิราชนี่ไม่เอาแม้ไรมีแน่แต่หลายคนเข้ามาเข้ามาเป็นอริยคุณแม้ได้ศีลข้อไม่กินเนื้อสัตว์เนี่ยเข้ามาเป็นอริยคุณจนกระทั่งคุณสามารถเป็นอรหัตตผลของข้อนี้ก็ยังได้เลยเพราะจําเป็นที่อาตมาจะต้องพูดแล้วก็ให้เกิดผลไม่ใช่ว่าไม่ทําไม่พูดาศาสนาเสื่อมเพราะลูกไม้ข้อนี้ลูกไม้ของพวกมาร ทำไม่ให้พูดแล้วก็อธิบายเบี้ยวบุบบลีเบี้ยวไปเบี้ยวไปเบี้ยวไปเบี้ยวบลีไปคนก็เลยไม่ค่อยพูดน้ำหนักที่จะทําให้คนเกิดอรหัตผลจึงไม่เกิดไม่มีเมื่อน้ําหนักไม่เกิดอรหัตผลไม่แรงไม่ชัดไม่ลึกมันก็ไม่ถึงที่เมื่อไม่ถึงที่ก็ไม่เกิดผลเพราะฉะนั้นเมื่อจะให้ชัดให้ลึกให้แรงให้ถึงขั้นสูงสุดอรหันต์คืออรหัตผลของแต่ละเหตุปัจจัยก็ตาม จึงต้องพูดกันจกนกระทั่งบางคน้องถึงขั้นอาเจียนเป็นโอหิตร้อนออกจากปากทฤษฎีนี้จึงเป็นเรื่องที่ไม่ใช่ง่ายเพราะใครไม่เข้าใจาศาสนาพูดไม่เข้าใจทฤษฎี ก็ใช้ทฤษฎีของพระเจ้าไม่เป็นอัตมามั่นใจว่าอัตมาใช้ทฤษฎีของพระเจ้าเป็นอัตมาจะเคี่ยวโกคุณเคี่ยวแล้วเคี่ยวอีกกระนาบแล้วกนาบอีกไม่ยั้งมือเหมือนช่างปั่นหม้อที่ปั่นดินกําลังเปลืกเปลี่กนี่กำลังดินกระเปียกอีกหน่อยดินแห้งแล้วตีไม่ได้แล้วแตกตอนนี้กําลังดินเปลือกเปลี่กนีนวดแล้วนวดอีกก็ยังยอมเอายอมให้นวดมันยังศรัทธามันยังเลื่อมใสมันยังเข้าใจอีกหน่อยถ้าแข็งกระด้างมีมานะมีนวดมีนี่แล้วดินแข็งแขงโกโกเก๊กกนวดเข้ามืออัตมาก็หัก และพวกคุณก็นวดไม่ได้ด้วยเพราะฉะนั้นนี่กำลังนวดนดินเปียกๆนี่แหละจะนวดแล้วนวดอีกจะไม่ยั้งมือเลยอานนท์จะไม่ยั้งมือเลยอานนท์และท่านก็บอกด้วนะว่าคบผู้อย่างนี้จะได้ดีแต่ถ่ายเดียวคบคบพูดเตียนคบพูดติกระนาบนี่แหละ ผสมนุนงธรรมพุทธาแต่แปลว่ากนาบแล้วกนาบอีกอัตมาแปลบ้างอัตมาก็ว่าถล่มแล้วถล่มอีกอัตมาแปลบ้างคือติเตียนขมนี่แหละถล่มแล้วถล่มอีกขนาดนั้นยังเหนียวเนะ้เหนียวเนะืเหนียวน่าดูถล่มเท่าไหร่ก็ไม่ค่อยจะจางไม่ค่อยจะจืดไม่ค่อยจะหลุดไม่ค่อยจะออกเลยเหนียวแล้วไม่ถล่มแล้วมันจะไหวเหรอขนาดเนี่ย จริงแล้วก็ใช้ความฉลาดนั่นนี่ให้มารวมกันเนี่ยดูสิเนี่ยมารวมกันกถล่มเป็นจํานวนร้อยจํานวนพันนั่งถล่มเอานั่งถล่มเอาไม่ใช่ฝีมือเรียมเหอเนี <c oughs> ่ยก็ถล่มแล้วถล่มอีกขนาดนี้ยังได้บ้างไม่ได้บ้างแต่พวกคุณก็พอฟังได้เพราะเมื่อศรัทธาเมื่อเข้าใจความมุ่งหมายแล้วเป็นโน่่ไมใชปเ็ภาษาธรรมะไม่ใช มันไม่ใช่ภาษาคนฮะมายายอาอ่มเเคํสนขงผู้ดีลันทมทิ้งแบบทมอย่างเรียกว่ามือนก็รากอาเจียนนี่รากเหมือนรากสดสดมืนรากมีเลือดเลยโอ้โเหมือนก็รากทีบีเลยมือนก็รากทีบีคนที่เป็นทีบเนี่ยอาเจียนออกมาเป็นเลือดพุ่งออกมาเป็นโลหิตร้อนพุ่งออกจากปากแล้วร้อนด้วยนะแม้ท่านแปลความดีเหลือเกิน เอ่าเป็ น, นอน่าเป็นโรหิตร้อนพุ่งออกจากปากว่างั้นเลยนะ่เราก็ไม่ให้เป็นไม่ให้เกิดนะแต่ช่วยไม่ได้ถ้าจะเกิดนี่ฝีมืออรหรันต์ฝ่ามืออรหันต์แล้วแต่ขออภัยมันต้องใช้ฝ่ามือก็ได้พยายามให้เป็นฝ่ามืออรหันต์แล้วนะอย่าถือซะเลยว่าถ้าคุณไปรู้สึกว่ามันเป็นฝ่ามืออรหนก็เป็นของบุคคลบุคคลไปนี่อาตมาใช้ขบวนท่าที่สุดแล้ว ว่าเป็นฝ่ามืออรหันนะแต่คนที่โดนอาเจียนเป็นโลหิตร้อนพุ่งออกจากปากก็ไม่ว่าฝ่ามือแล้วนี่มันฝ่ามืออรหโหนี่หว่านอาหันอะไรนะเราตายนี่นก็เป็นแน่นอนแต่ถ้าเผื่ว่าเขี้ยวลึกขึ้นมาแล้วที่จะต้องถึงผลมันต้องลึกมันต้องซึ้งแบบนี้จริง ๆ, ๆคิดว่าพวกคุณจะพอเข้าใจได้นะที่อาตมาจะอธิบายทฤษฎีหนึ่งต่อสามเนี่ย ที่พระพุทธเจนใช้ว่าท่านเทศแล้วสาวกบรรลุอลหรหันต์หนึ่งส่วนโลหิตพุ่งออกจากปากหนึ่งส่วนบอกลาสิขาหนึ่งส่วนเป็นอย่างนี้ไม่ทําไม่ได้ก็พระพุทธเจ้าบอกแล้วว่าพุทธเจ้าต้องยังทำสาวกก็ต้องใช้เป็นตามฐานานุฐานนะอาตมาใช้ได้เท่านี้ใช้ได้เท่านี้พระพุทธเจ้าใช้ได้เก่งกว่าอาตมาได้คนที่ศรัทธาเลื่อมใสมั่นใจแล้วท่านก็ได้ผลสูงกว่าอาตมา แต่ท่านก็ขนาดปีมือท่านท่านก็บอกแล้วว่าท่านเทศแล้วยังมีอย่างนี้ท่านก็รับสารภาพอยู่แล้วเพราะฉะนั้นอันนี้ไม่ใช่ความบกพร่องนะนี่ไม่ใช่แก้ตัวนะนี่ยากเหลือเกินธรรมะนี่ลึกซึ้งจริงๆถ้าฟังไม่เป็นรู้ไม่ได้นะก็ไม่เข้าใจเมันก็เขาก็จะเทะกันจะธรรมะเบาใจหรือธรรมะเอาใจก็ไปโลมก็ไปทั้งปีทั้งชาติไม่มีฝ่ามืออรหรันต์ ไม่มีไม่มีขบวนท้าไม่มีฝีมือกระบี่เพราะฉะนั้นจึงไม่สามารถที่จะตัดกิเลสอะไรกันได้เป็นธรรมะเบาใจเอาใจปรรมมาแล้วก็ตั้งทรงอยู่บ่าได้บ้างแล้วก็เสื่อมเสื่อมเสื่อมมีทรงอยู่กับเสื่อมเสื่อมเสื่อมจนมันจะไม่เหลือเชือ้อคว้าไว้เกือบไม่ทันาศาสนาพนุกนี้นี่อย่าหาว่าตะมาพูดโอ้พูดอวดตัวยิ่งใหญ่ตัวเองเลยคว้าไว้เกือบไม่ทันมันไปกันหมดแล้ว มีแต่ไปนิยมพูดเอาใจเขากันได้ลาบได้ยศก็เห็นเยอะแยะไปแล้วก็รวยลาบรวยยศ ก, กันอยู่นะอาตมาทางานนี่โอ้โหกว่าจะได้อะไรมาจะได้วัสดุมามีบุญมีทานมีเงินมาทำงานกันขนาดนี้เนี่ยอาตมาไม่ไนดะ้ไปพูดเอาใจพวกคุณให้เอาเงินมาทานนะถ้าอาตมาไม่พยายามพูดให้ชะให้พาให้ขัดเกลากิเลสพวกคุณเนี่ยพวกคุณจะไม่ถึงเลยไม่ถึงแล้วพวกคุณก็ไม่มานั่งทาทานอย่างนี้ เพราะกคุณทำทานไม่ได้เป็นนโยบายแบบโลกเขาพระทางโลกเขาเนี่ยต้องเอาใจต้องมาเอาให้มาก็ยะถาวริบาบาอย่างน้อยบุลาบริบุรันติใช่ไหมก็ต้องอย่างน้อยก็จะต้องมียาถาสัพพีให้บ้างหรือไม่ก็ยังจะต้องมาโฆษนามีใบอะไรเขาเรียกบัตรโมทนาบัตรมีใบโมทนาบัตรมีแลกไอ้นู่นไอ้นี่มีของแลกเปลี่ยนมีพระเครื่องมีโนนมีนี่จนกระทั่งมาชมเชย ชูเชิดยกยอปอปั้นใช้จิตวิทยาในการปละเลาปะปลโรให้คุณมาทําทานเนี่ยตามาไม่ได้ทําเลยได้มาขนาดนี้เนี่ยตามาหมาภูมิใจในฝีมือตามาโคกเอาสับเอาว่าเอาเอ่ยังมาทําทานนี่แคอเป็นไปได้นะเนี่ยขนาดโคกเอาสับเอาดแทะคุณก็ยังมาทําทานแล้วมาทําทานคุณก็พอใจภูมิใจที่คุณทําด้วยแล้วคุณก็รู้ว่าทําทานไปเนี่ยคุณมุ่งหมายเอาคําชมหรือเปล่าต้องการสรรเสริญหรือเปล่า จนกว่าจะได้อะไรมาเล็กๆน้อยๆเนี่ยแหมกว่าคนเขก็จะอบริจาครถพังัๆมาคันเก่าเก่ามาคันหนึ่งก่อนก็มาซ่อมก็แทบตายใช้กันจะตาจะเป็นเอาจนกว่าจะได้คันต่อมาจนกว่าจะได้อะไรมาจนกระทั่งมีวิธีการคจนกระทั่งโอ้โหรถลาก็พอมีใช้ข่าของที่จะมาทํำนนทํานี่ก็พอมีใช้ไม่ได้ไป น, นั่งเรียรายไม่ได้ไป น, นั่งเอาใจใคร อย่างนี้เนี่ยมันคงถาวรกว่าคุณไปนั่งเอาใจคุณไม่เอาใจเมื่อไหรเขาก็ไม่มาทําแล้วในในในทางโลกอ่ะไม่นั่งเอาใจเขาไปมานี่อาตมาไม่ต้องเอาใจเรามีจะขูดต่อไปแล้วเป็นผลซ้อนไม่เอาใจขูดคุณอีกขูดคุณอีกขูดคุณอีกไม่ได้เอาใจคุณก็ยิ่งได้ดีได้ดีได้ดีคุณยิ่งมาทําทานยิ่งมาทําทานมันกลับกันเลยไอ้นนท์ต้องไปนั่งเอาใจก็หนักแล้วเอ่าสอนเอ่าทํเนาะทยังไงถึงจะเบาใจไปอีก สอนก็เบาใจกิเลสก็ไม่หลุดกิเลสก็ยิ่งหนาก็้นยิ่งเอาใจก็ยิ่งกิเลสหนายิ่งกิเลสหนายิ่งอยากได้สันเสริญยิ่งอยากได้ยศได้ชั้นอะไรไปอีกโอ้โหสวยมหาสวยเลยนี่ก็าสุยคือจริงๆก็สอนกันอยู่อย่างนั้นก็ทําวิธีการอย่างนั้นไม่ใช่พูดข่มเขานะฟังดีๆว่าธรรมากําลังพูดว่าคนอื่นแล้วก็ยกตัวข่มเขาหรือเปล่าที่ว่านี่กัุนาเขาไม่รู้ที่ว่านี่กรุณา แก่ตัวให้อัตมาเรื่อยเลยนะนีะ<ด>่คุณเข้าใจคุณก็พูดถูกนะอันนี้สอเสียดนะที่พูดว่าปิสุณวาจาก็เป็นคำที่ไม่ใช่ให้ทะเลาะ ก, กันแต่ไม่ใช่ไม่พูดคำรุนแรงไม่ใช่ไม่พูดคำที่จะฟังดูแล้วเหมือนจะเกลียดจะชังไม่ชังอัตมาพิสูจนได้แล้วพวกคุณไม่ชังอัตมาทาั้งห้อัตมาพูดแรงๆ น, นี่ไม่ใช่สอเสียด ไม่ใช่พูดให้ทะเลาะกันคุณไม่ทะเลาะกับอาตมาอาตมาไม่ทะเลาะกับคุณแต่อย่างว่าห่างๆก็บางคนก็อาจเียนเป็นโลหิตร้อนบ้างก็ไม่รู้ละอบางคนก็อาจจะต้องอบอกลาสิกขาไปก็แน่นอนเพราะในหมู่เราในบางทีก็บางคนก็บอกเดี๋ยวขอต ถ, ถ, ถอยตั้งหลักก่อนบอกลาสิกขาซะก่อนมันเจ็บเหลือเกินมันปวดเหลือเกินแม้ท่านพูนอันนี้มันมันแรงไปเหลือเกิน ก็ฟีมืออาตมาดาบคมเท่านั้นบางทีมันก็อาจจะคุณเองหนังเหนียวหน่อยมันก็เลยสมกันดาบอาตมาคมเท่านั้นจึก๊กงานคนที่เขาหนังไม่เหนียวเท่าไหร่มันก็ผ่านไปได้ตัดขาดพอคุณเนี่ยพอจึก๊กดาบอาตมาคมเท่าเก่านะคมเท่าเดิมนะแต่คุณหนังเหนียวจึก๊ก <c oughs> เจ็บนี่มันไม่เข้าหรอกมันเจ็บคุณก็เลยเจ็บหลายทีคุณก็เลยต้องถอยไปแต่คนที่เขาหนังไม่เหนียวดาบขคมเท่าเก่า เจเข้าแหลขาดไปเลยเขาก็ดีได้ไปแต่คุณหนังเหนียวเองทำไมนี่อาตมาไม่ใช่ว่าอาตมาแก้ตัวนะคุณด้วยอาตมาก็รับดาบอาตมาเสมอเหมือนกันแต่กว่าดาบจะคมมันก็ต้องรับรับเรื่อยๆรับเนอาตมาว่าอาตมาดาบคมคุณทุกวันทุกวันนะและพวกคุณก็อย่าทำหนังเหนียวขึ้นทุกวันทุกวันกันแล้วกัน ไม่เช่นนั้นก yeah, ็แย่สิดีไม่ดีก็ต้องเปี่ยนยางออกไปอหรือไม่ก็บอกลาสิขาแล้วไม่เอาแล้วบอกคืนสิขาแล้วเพราะฉะถ้าคุณหนังไม่เหนียวแลวรับรองอาตมาก็รับดาบขึ้นทุกวันคุณก็ทําหนังยุ่ยขึ้นทุกวันด้วยไปด้วยกันมาด้วยกันเลือดอโศกไม่ใช่เลือดสุพรรณแล้วตอนนี้ข้อสี่ระวังอย่าพูดไม่เป็นประโยชน์อย่าพูดเหลวไหลไร้คุณไรค่าไรค่าไร้คุณอเช่น อย่าให้มันเป็นคำพูดพล่อยพูดไม่มีสติควบคุมระมัดระวังคือพูดกลัดไปแกว่งมาโอนไปเอียงมาเสร็จแล้วมันเลยกลายเป็นให้คะแนนแก่ฝ่ายผิดฝ่ายชั่วโดยไม่ระวังไม่รู้ตัวนี่เรียกว่าพูดพล่อยหรือผลทำให้ผู้ฟังเข้าใจผิดศีลผิดธรรมโดยเฉพาะทำให้คนอื่นเข้าใจศีลเข้าใจธรรมที่เราถือนั้นผิดไป ผิดไปเลยเป็นอกุศลเป็นกิเลสไปเสียคือพูดอย่างไม่มั่นไม่แม่นน่ะไม่มั่นและไม่แม่นตามสัจจะในศีลในธรรมโดยไม่รู้ตัวบ้างโดยไม่ระวังคำพูดของตนบ้างนี่แง่หนึ่งเรียกว่าพูดพลอยนะ่ะเพราะการพูดต้องระมัดระวังควบคุมอย่าพูดให้กวัดแกว่งเขาพูดให้มันแม่นเป้าให้มันตรงให้มันดีนะถ้าไม่งั้นมันพลอยพูดไปแล้วมันทาให้เขาเข้าใจผิด หรือเป็นอกุศลไปเสียนะผิดศีลผิดธรรมที่เราถือไปเสียศีลเขาเขาเรารักษาเขาก็เลยไม่นับถือกับเราเรารักษาศีลข้อนี้ก็เลยไม่ศรัทธาเพราะเรารักษาให้เขาศรัทธาด้วยจากวาจาที่เราพูดนี่ต้องระวังให้มันเกิดผลดีทั้งตนและท่านต่อไปอย่าพูดเป็นคําพลามนะอย่าพูดให้เป็นคําพูดพลา ม, มีพล่อยมีพลามเนะีคือพูดพูดนอกเรื่อง พูดเป็นน้ำท่วมทุ่งไม่ว่าจะพูดเรื่องอะไรต้องระวังโดยเฉพาะพูดเป็นเชิงโอเชิงอวดเชิงสูงจนกลายเป็นเกินตนเกินตัวเกินขีดเกินเขตของศีลแต่ละขนาดที่ตนกำหนดเขต ย, ยึดถืออยู่ก็ดีหรือขนาดขอบเขตของขั้นต่างๆของผู้อื่นก็ตามนี่อีกแง่หนึง่งนะคือพูดพร่ามพูดเกินพูดเลยพูดน้ำท่วมทุ่งพูดอะไรอะไรออกจงไปอ่นะ หรืพูดเกินตัวเกินตนจนคนอื่นเขบอกเออเหมันไส้เป็นการพร่ามเกินนะอย่างนี้ก็ไม่เกิดผลหรือโดยเฉพาะว่าเราถือศีลข้อไม่กินเนื้อสัตว์พร่ามเดี๋ยวโอไมกินเนื้อสัตว์นี่จะห่ะได้นะไม่กินเนื้อสัตว์นี่เราดำน้ําดำดินอะไรไปตามเรื่องตามราว <c oughs> เพ้อเพเจอเจอนี่อยู่ในหลักเพ้อเจอทั้งนั้นนะ <c oughs> พลอยพร่ามนี่อยู่หลักเพ้อเจอทั้งนั้นเพราะฉนั้นพูดน้ําท่วมทุ่งไม่เข้าเป่าไม่เข้า ไม่แม่นตามสัจจะโดยเฉพาะทั้งศีลและธรรมที่ตัวเองถือต่อไปอย่าพูดพร่ำอย่าพูดพร่ำคือพูดจนคนเขาไม่ฟังแล้วเพราะมันมากไปแล้วมันเกินจะรับแล้วหรือพูดแต่คนเขาหรือว่าพูดแต่คนเขาไม่ฟังกันแล้วพูดก็จะต้องพยายามให้คนเขาฟังถ้าใครพูดแล้วคนเขาไม่ฟัง จะเพราะว่าพูดไม่น่าสนใจหรือว่าพ่อพูดไม่ได้เรื่องก็ชื่อบอกธรรมทั้งนั้นหรือแม้จะพูดดีมีสาระมีศีลมีธรรมแต่คนฟังเขาไม่ฟังแล้วเขาไม่รับแล้วเขารับไม่ได้แล้วในหลักนั้นเนี่ยมันรับไม่ได้แล้วมันเกินภูมิแล้วความยากขนาดนั้นความดีความลึกซึ้งออกปานนั้นนะ่ะเขาไม่รับไม่ได้แม้กูจะพูดดีดีพูดถูก แต่พูดแล้วคนก็รับไม่ติดแล้วนั่งงงเนี่ยแต่พูดไปคุณก็นั่งงงกันหมดแล้วเราก็พูดแม้เราก็พูดใหญ่เลยนั่นนะพรำแล้วต่อให้พูดนั้นดีก็ตามนี่ยพรำเลวเขารับไม่ได้นะเพราะฉะนั้นผูดก็จะต้องประมาณต้องดูผู้ที่เราพูดด้วยว่าเขาสนใจเขารับฟังดีหรือเปล่าเนอเขาไม่ฟังแล้วเพราะพูดไม่ได้เรื่องเลยหรือว่าพูดได้เรื่องแต่ว่าคนเขาก็รับไม่ไหว ก็ต้องดูให้พอเหมาะพอดีไม่เช่นนั้นถือว่าพูดพลําส่วนพูดเพอนั้นอ่ะนะอีกอันหนึง่งเนี่ยอาตมาแบ่งเป็นสี่หนึ่งพ่สองพล่ามสามพล่มสี่เพอคืออย่าพูดให้เลยไปจากสัมมาจากความพอดีความพอควรหรือพูดเกินเลยไปจนเป็นไปไม่ได้เพอนี่คือมันเป็นไปไม่ได้มันเป็นเรื่องที่เพอเจอรจริงๆในตัวเพอเนี่ยแม้จะเป็นความหวังสูง ความฝันเฟื่องที่น่าจะเป็นไปได้ก็ต้องระวังต้องพูดในที่ควรเท่านั้นไม่ใช่ไม่เช่นนั้นจะกลายเป็นเพ้อต้องพูดอยู่ในอัดในธรรมโดยเฉพาะผูดอยู่ในฐานะที่ถือศีลขนาดใดก็ควรจะพูดเตรียมตนให้อยู่ในอัดในธรรมขนาดสมฐานะของตนของตนอย่าพูดไม่เป็นโลไม่เป็นพายผิดพลาดเลอะเทอะพูดไปเป็นโลไม่เป็นพายพูดเลอะพูดเทอะกับพูดเพ้อพูด ไปเรื่อยๆไม่ไม่เห็นเข้าเรื่องเขาราวอะไรอย่างนั้นนะหร อ, อย่าพูดขาดสติสัพพัญญ า, ญญาพยายามมีสติสัพพัญญาพูดเรพูดหมายเอาอะไรอะไรให้มันเป็นอัดเป็นธรรมเป็นสาระผู้สุขุมประณีจะระวังไม่พูดอย่างคนสติตกเพอเจอเนี่คืออย่าพูดอย่างสติตกไม่เชน่นนั้นนะว่าเพอและที่เข้าเขตเพอแท้ก็คือ สติไม่ดีแล้วอันนี้ก็แน่นอนละส่วนผู้สติฟั่นเฟือนสติเสียนั้นเขาพูดเพอ้อแน่แน่นี่เป็นแง่อีกแง่หนึ่งเขาแง่สุดท้ายแง่ที่สี่นะอันนี้ก็เป็นาวาจาสี่ที่เป็นมิจฉานะมีองค์ธรรมของวาจาสี่อยู่ก็คือเราจะต้องรู้ว่าเป็นมิจฉาทั้งสี่นี้ก็จะต้องหนึ่งอารติ สองวีรติสามปฏิวีรติสี่เวรมณีในองค์ธรรมวาจาก็ดีกรรมันตะก็ดีอาชีวาก็ดีมีองค์ธรรมสีนี่เหมือนกันหมดนะจำมันนี่อาไวนะ้เหมือนกันหมดเนืงองอารติแปลว่าเว้นเว้นขาดนะสองปฏิสองวีรติวีรติแปลว่างดเว้นนี่แหละนะนะ อ้าวแปลว่างดก็ได้นะอันแรกอรติแปลว่างดอันที่สองแปลว่าเว้นนะงดเวน้นปฏิวิรติก็คือ น, นี่แหละก็ทาให้สูงขึ้นเว้นขาดให้ได้เว้นในขาดงดไปเว้นไปเราเว้นในขาดเว้นให้เด็ดนีปฏิวิรติเวรมณีนั้นมีสภาพสติสัพชัญญารู้ตัวมีเจตนาลมอยู่เสมอเพื่อเว้นขาดทุกอย่างจริงแปลสั้นๆว่าเจตนาเว้นขาด เ ว, วรมณีแปลว่าเจตนาเว้นขาดนี่เป็นองค์ธรรมสี่เพราะฉะนั้นในวาจาเป็นมิจฉาก็ะตามในกรรมันตาที่จะอธิบายต่อไปก็พยายามเว้นพยายามงดพยายามเว้นพยายามเว้นขาดมีเจตนาเว้นขาดในพกมิจฉาต่างๆเหล่านี้เสมอในอาชีวะห้าก็เหมือนกันพยายามงดพยายามเว้นนี่องค์ธรรมสี่ไม่เหมือนสังกปามีองค์ธรรมถึงเจ็ดมิจฉาทิฐิหรือสมาทิฐิ มิจฉาทิฏฐิก็มีองค์ธรรมถึงหกที่จะให้สมบูรณ์ถึงอธิบายมาแล้วมันยากอยู่ทิฏฐิกับ ส, สังกัดปกพอจากวาจากรรมมันตัและอาชีวะแล้วใช้องค์ธรรมสีนี่เหมือนกันหมดคืออะไรเป็นมิจฉาที่เรารู้ด้วยปัญญาอันยิ่งแล้วต้องพยายามงดพยายามเว้นพยายามงดเว้นเว้นขาดพยายามมีเจตนารมเสมอที่จะเว้นขาดอยู่เสมออละสาหรับวันนี้อาตมาก็ได้ อธิบายตามเชิงตามวิธีการขาองอาตมาเพิ่มวาจาสีทุงนี้ก็อาจจะทวนวาจาสีนิดแล้วเขาหากรรมันตะและสังกปะเออไม่ใช่ขออภัยกรรมันตะกับอาชีวะเมือ่อกรรมันตะกับอาชีวะรวมไปแล้วก็เหลือวันสุดท้ายจะตีอาชีวะนี่ให้ชัดเพื่อที่จะได้เห็นว่าเรามีชีวิตอยู่เป็นส่วนใหญ่เนี่ย เราเป็นมิจฉาหรือเราเป็นสัมมากันและเราก็จะเลื่อนชั้นคนเลื่อนสัมมาอาชีพขึ้นมาได้สูงขึ้นมาจริงๆยิงง่งจะเป็นผู้ที่มีชีวิตอยู่อย่างเป็นสุขเพราะชีวะหรืออาชีพหรือความเป็นอยู่ในส่วนใหญ่ของเราเนี่ยมันเป็นสัมมามันเป็นสุขและมันเป็นประโยชน์คุณค่าอ้าวแล้วสำหรับวันนี้พอ